จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษั์ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้ครับคืนนี้เรากำลังรอบุคคลที่จะเข้ามาบุคคลแรก เดียนี้รู้สึกกล้องมันไม่เปิดอัตโนมัตินะต้องต้องเปิดเองเมื่อก่อน okay, อุปกรณนะี้อเข้ามากล้องมันจะเปิดขึ้นมาเองต้องไปกดที่ตัววิดีโอข้างล่างมันถึงจะเปิดคนที่เคยเข้ามาแล้วมันมันเปิดให้ตอนนี้ต้องต้องเปิดกล้องเองนะโอเคลองอีกทีฮะอ่ะาอ่าอ่าน เปิดเองนะ ว, ว่าทางโปรแกรมเปิดให้ให้ไหมเมืเอ่อกี้ผมผมผมกำหนดให้เปิดเองได้ตอนนี้ออโอเคโอเคเดี๋ยวรอเด็กๆกันเด็ ก, กเด็กๆมาเรียงังอา่าตอนนี้เห็นจาร์ทกับจนะัสตี้นะฮะอ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคก็จะดูตัวเล็กกว่านั้ น, นเองเห็นม ถ้าไม่มีก็ไปที่จำแรกกับเจตีก่อนแน่ใช่ไหมเจตครับเจ้สการกพระอาจารย์คร<า>ับครับส่งกันบานครับอ่มามาเรามีความแก่เป็นธรรมดา <S 2> <S 2> จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วง้นความตายไปไม่ได้เราจะเราเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องพลัพากจากของของเจริญใช้หลายถึงปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมัได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนันนันสืบไปเราทั้งหลายคนไปเจริญในทุกวันทุกวันเถอะใครเป็นผู้ทํากรรมรู้ไหม ใจครับใจนะไม่สอดใครเป็นผู้รับผลของกรรมใจครับใจรับผลอย่างไรบ้างตกเงินล็อคครับถ้าทําบาปใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าทําบุญนะก็ไปสอดครับออไม่ใช่นางกายนะกายเป็นเพียงรูกน้องเป็นเครื่องมือนางกายนางกายไปสู่ดินน้ำลมไฟ ค่อร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปนรกหรือไปสวรรค์ใหญ่ผู้รู้ท่านรู้นี่เป็นผู้ที่จะไปค่ะ อ, อ่โอเคแล้วร่างกายเหล่านี้มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังกระดูเยื่อนักระดูกมะมงหัวใจตับห้องพื่น ปอดเส้ใหญ่ใช้น wow ้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยืในสมองสีสัตว์น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันคข้นน้ำเงาน้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำเส็ดน้ำดีอัลสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช่ใหญ่ตอดไตผงพืชตับหัวใจม้ามในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันและขนผมแล้วตัวเราเป็นร่างกายหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นนะเราเป็นเราเป็นท่านรู้ใช่ไหม ใช่ครับเราเป็นคนใช้ร่างกายใช่ไหมใช่ครับสั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าเราห้ามร่างกายไม่ให้แก่เจ็บตายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายใช่ไหมอ่า <radish. S 1> โอเคอ่าจำไว้นะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายอับ อาการท่าที่สองนี้ไม่มีไม่มีตัวตนเป็นเป็นอาการผมขนเล็บฟันนี้เป็นแค่วัตถุนะเป็นวัตถุธาต า, านดินเป็นของแข็งโอเคเราต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดนะแต่ใช้ด้วยความระมัดระวงังใช้ด้วยความาใชใ้เกิดคุณประโยน์ต่อจิตใจครับ ใช้ทําบุญทาทานใช้รักษาศี่ใช้ภาวนาครับอ่าโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไวครับคืนนี้จะเข้านาวยังไงดีนอนครับอ่าบรรยาาสมาธิก่อนเที่ยงคืนเน ะ, ะเข้านาตอนรับปีใหม่ครับนอนโอเคนอนก็นอนครับ Right. อะไรแล้ว น, นี้นะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับขอคบคุณพระอาจารย์ครับอ่ไปที่น้องทีมต<ป>าของทีมคุณแม่ากาบนมัช ก, การคร่ะพระาอาจารย์ก็อาทิตย์นี้นั่งไปได้แค่หกวันครับแต่ว่ามีนั่งชุดเฉยไปอสองรอบในวันหนึ่งก็ด้วยครับอ่าเีนั่งได้นะชั่วโมงหนึ่งครับอาทิตย์นี้ชั่วโมงหนึ่งหกครั้ง คกลาดไปวันหนึ่งชดเชยแค่วันเดียวลครัะในวันละสิบนาทีสิเดครับสิบเอ็ดเริ่มมีความสุขไหมก็เริ่มรู้สึกว่าสบายกว่าเดิมครับอ่ดีพยายามทําไปเรื่อยๆแลต่อไปจะมีความสุขนะครับจะพยายามต่อไปครับอ่อย่าเลิกนะครับโอเค ค่ะ <laughs> พระอาจารย์ของหนูก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็พอดีหนูเห็นว่าจะปีใหม่แล้วค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วหนูก็มีเรียนพระอาจารย์ไปว่าหนูให้สัจจะไปว่าอปีหน้าหนูจ ะ, ะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จะขึ้นเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไหนๆก็จะปีใหม่มาแล้วอีกจะปีใหม่พรุ่งนี้แล้วหนูก็เลยตั้งใจว่าจะ กลับเรียนพระอาจารย์ทีว่าหนูให้สัจะนะคะว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวค่ะสามวันสองคืนก่อนค่ะพระอาจารย์เราจะหาโอกาสไปให้ได้เลยค่ะยังไงต้องไปค่ะปีหน้าไปเพราะอะไรออหนูอยากอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์หนูต้องการแบบหนูต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หนูจะได้อยู่คนเดียวที่จะใบแบบเออหนูอยากหนูอยากลองทดสอบตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้นะคะ่ะว่าตัวเองจะมีความก้าวหน้าบ้างไหมอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ หรือว่าจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าคะค่ะใช่ต้องหาพาจารย์นมีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้าได้ว่าอืมตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะค่ะพาอาจารย์เลยยังไม่ได้คือหนูยังไม่ได้คิดไปถึงขั้นว่าหนูไปอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะกลัวหรือจะเป็นอะไรเพราะหนูยังไม่อยากคิดก่อนอะค่ะพาอาจารย์ <laughs> <c oughs> ก็หนูหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูกลัวเหมือนเหมือนทุกวันนี้ยค่ะถ้าเกิด ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ถือว่ากลัวน้อยลงค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวอะไรก็ไม่พอพอเราไม่คิดอ่ะคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องพวกนี้อะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอถ้าเกิดขึ้นไปอยู่จริงๆก็เลยยังไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงแต่คิดว่านึกถึงพระอาจารย์เอาไว้อะคะ่ะต้องมีสติก่อยควบคุมความคิดค่ะเดินจงกลมนั่งสมาธิคอยหยุดความคิดให้จิตสงบ ค่ะก็จะมีความรู้สึกมีความสุขเราจะไม่เหงาจะไม่ว้าวเวจะไม่กลัวเอแต่ถ้าปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวมันจะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงโลกคิดถึ ง, ถงแฟนมันก็จะเหงาขึ้นมาค่ะคือเดี๋ยวหนูเลยกะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวคือต่อทุวนันนี้พยายามฝึกสติอะค่ะพระอาจารย์ที่จะไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอย่า ง, งวันธรรมดาทั่วไปหนูจะไม่ค่อยได้คิดเรื่อง ไปไกลมากอะค่ะพาาย์ไม่ได้คิดถึงคนนู้งคนนี้อะไรแบบนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าต้องไปขึ้นเขาจริงๆสิ่งที่หนูกลัวอย่างเดียวคือแบบกลัวจิตคิดฟุ้งเรื่องของแบบสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะซึ่งทุกวันนี้หนูมไม่ได้คิดนะคะพาาย์แต่ว่าไปอยู่จริงๆสถานการณ์เฉพาะหน้าก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะก็ต้องฝึกค่ะอ ท, ที่ไปอยู่ที่แบบนั้นก็เพื่อบังคับให้เราต้องมีสติคควบคุมความคิดให้ได้คที่เหานะั้นอาจจะ ก, กระตุ้นให้เราคิดไปในเรื่องที่มัน นั้นเรื่องอย่างที่พูดเนี่ยเรื่องที่เรามองไม่เห็นอะไรต่างๆได้อแค่ะถ้าเราคอยคุมไว้เพราะมันจะคิดเรื่องอานนั like ้นก so ็พูดโธพุทโธไปคไปให้มันคิดค่ะค่ะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมือนพ่อจัตือหนุ่มมาในเรื่องนี้หนูก็เลยแบบว่าเดี๋ยวหนูอาจจะต้องฝึกตอนอยู่ที่บ้านก่อนนะคะให้แบบนั่งมืดๆหรือว่าแบบ เดี๋ยวอาจจะขึ้นไปชั้นท้านั่งคนเดียวมืดๆดูอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าจจะเริ่มกลัวนิดนึงแต่ดีที่ท่านเตือนไว้ก่อนที่เราอยู่แบบนั้นเราจะได้ควบคุมมันเข้คไปถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีอะไรเราจะไม่ต้องคอยคุมคเพค่ะมันจะไม่เคยคิดเรื่องราวที่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะถ้าไปอยู่ที่คนเดียวที่มืดๆเดี๋ยวเห็นใบไม้ไหวขึ้นมาได้ยินเสียงจิ้งจกหรือ อะไรอยู่บนเพาดานนี่มาก็จะนคิดไปใหญ่อ่าก็เดี๋ยวขอฝึกก่อนไปอะค่ะพาอาจารย์เดี๋ยวไว้ถ้าจะมีโอกาสใกล้ๆได้ไปจริงเดี๋ยวอาจจะต้องมากลับให้ขอให้พระอาจารย์ช่วยฝึกเตือนเรื่องสติกับเขาคำแนะนำจากพระอาจารย์อีกทีหนึ่งอะค่ะก็นี่แหละถ้าไปแล้วก็ต้องถือต้องปฏิบัติตั้งแต่ย่างก้าวเข้าไ่ที่นั่นเลยต้องมีสติคอยคุมอย่าไให้คิดเลอเปื่อ เรื่องบัณีิตเรื่ออนาคตให้อยู่ในปัจจุบันค่ะค่ะทุกวันนี้ก็ฝึกอยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนหนูไม่ค่อยได้คิดพยายามค่ะพยายามฝึกสติอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์ก็นยึดยึดพระอาจารย์เป็นสโลนะค่ะว่าแบบพยายามจะทําอะไรก็จะนึกถึงอะค่ะพระอาจารย์ก็ดีให้มีสตินะค่ะค่ะ <Okay. S 2> กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าคะ่ะขอให้พระอาจารย์ทาตุแข็งแรงนะเจ้าคะ่าสะสาธุเจ้าค่าะน้่พีต่อน้่งพีวันนี้เขานาวหรือเปล่ากลับมาเทศการค่ะหลวงพ่อไม่ได้เขานาวค่ะอยู่บ้านคะ่สะสวนวันช่างปีหรือเปล่าก็หนูก็สวดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันคะ่ะเหมือนเดิมนะนงคืนทุกวันอยู่ น, นนะ ค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งเช้าทั้งก่อนนอนนะคะอืมอะไร น, น, น้องพีไม่พูดจาอะไรเลยครับโดนดูเออซึมเลยว น, นี้ดูท่าทางซึมเลยนี่แหละอารมณ์หัจิตเป็นยังง ม, บบบงมีบาบารมีซึมเศร้าอแล้วนะแต่อะไรจะมากระทบพอมมีเรื่องดีกระทบก็ ก็เบิกบานพอมีเรื่องไม่ดีมากก็ต้องก็เสร่อมเศร้าเศร้าส้อยไว้เ่าว้าวัยเนี่ยเราต้องรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เราอย่าให้มันมาบังคับให้เราต้องไปทําอะไรต่างๆให้ปล่อยให้มันเป็นอารมณ์ของไพ่มันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไป mm. มันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้เราไมนต้องไปทําอะไรอืม mm. mm. จิตของพระโสดาบันนี่มีความกลัวได้ไหมคะหลวงพ่อยังกลัวได้ไม่นา่าไม่น่าจะ ก, กลัวนะเพราะอยอมตายได้แล้วเนี่ยยังมีะถ้ายอมตายแล้วมันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเ ร, เรื่องที่รุนแรงที่สุดก็คือความตายพระโสดาบันนี่คือยังเป็นห่วงคนในครอบครัวยังเป็นได้อยู่ไหมคะไม่ไม่ห่วงแนละ้วรู้ว่าต้าตายแล้วกันทุกคน แต่ยังรักยังรักคนในครอบยังรักแฟนอยู่ยังรักแฟนอยู่ยังอยากจะมีความสุขกับแฟนอยู่แต่ก็รู้ว่าแฟนก็เป็นของไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่ยังอดไม่ได้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้ยังเหงาอยู่ต้องไว้ต้องไปพิจารณาอสุภะดูร่างกายของแฟนว่าไม่สวยงาม อาการสารที่สองเป็นซากศพนี่เราเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอาการสารที่สองไม่นคลอกระดูกเป็นน้ำหุบกระดูกก็ความหลงรักใข้ก็จะหมดไปทีนี้ก็จะอยู่คนเดียวแบบไม่เหงาได้ลูกวันนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างคนเดียวแต่ก็ยังทําหน้าที่ภรรยาเป็นแม่ของลูกอยู่ปกติฮะแต่ก็ ต้องมีเวลาปิดวิเวกของตัวเองอืมค่ะกระถุ่ต้องของเราทุกคนถ้าอยากจะพัฒนาต้องวิเวกกายทั้งวิเวกจิตถึงเนีวิเวกได้ถ้าอยู่ ร, ร่วมกันให้มันจะรบกวนจิตใจไม่สามารถทําให้จิตใจนิ่งได้ขณะอยู่คนเดียวมันยังไม่ค่อยยอมจะนิ่งเลยอยู่คนเดียวมันคิดถึงเขาอีกแอบพ่ เออก็ดีกว่าอยู่ใกล้เขาอยู่ยกล้เขามันเดี๋ยวก็มีเริ่มให้พูดให้คุยให้คิกกันอยู่นั่นนะ่ะใช่ค่ะก็ต้องมีเวลาคือก็กลางวันก็เป็นแม่เป็นภรรยากลางคืนก็เป็นตัวเองด้ในฐานที่ก็ฟังธรรมปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทําไปกลางคืนก็เป็นแม่ชีก็แล้วกันก็ ใจมันก็อยากไปแล้วค่ะแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าติดลูกมันก็มันก็ยังมันก็ยังมีห่วงอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะข้ามไปอีกคันหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีที่ภาระที่เราต้องทำคือถ้าเราทิ้งไปมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะถ็กไหมคะก็มีหน้าที่ต้องทำแต่ทำด้วยความไม่ยึดติดอะไไม่ไม่ไม่หวังไม่กังวลไม่วิตกไม่หวาดกลัว กับอะรจะเกิดขึ้นเพราะารู้ว่าในที่สุดมันก็ก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นทำให้ดีขนาดไหนก็ต้องตายอย่างที่ท <ำ S 1> แต่ทําหน้าที่มีหน้าที่สอนก็สอนมีหน้าที่ภาาก็ทำอะไรก็ต้องพภาทนะําไปอยู่ในะเขนเลี้ยูู่เขาจนกว่าเจะพึ่งตัวเองได้ก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทาะก็พยายามแบ่งเวลา เกิดมาไม่ดีเลยนะมีเรื่องเวลาที่ต้องแบกหามอยู่ใช่รนะ่างกายของเราก็เป็นภาระอ่าันหนึ่งแล้วแล้วยังมีภาระไปเอาเอาร่างกายสามีมาเป็นภาระอีกเอาร่างกายของลูกมาเป็นภาระอีก <c oughs> หลายหลายหลายภาระเลยเนี่ยถามเสีย <c oughs> <ๆ>้วเยอะเยอะจริงๆค่ะก็ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ปฏิบัติมากขึ้นก็เข้าใจ ในในตัวเองว่าคือเราเกิดมาเพื่อจะทําอะไรแต่บางทีมันก็มันก็ยังติดอยู่กับครอบครัวที่จะต้องดูแลนี่ค่ะมันก็ต้องแบ่งอก็แบ่งเวลาก็แล้วกัน แ, แบ่งเวลาให้กับทําแบ่งเวลาให้กับโลกค่ะก็ <Okay. S 2> อยากจะแนะนําพี่ๆในนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกๆอย่างนี้ก็เราก็ปิดไม่เว่ยตอนกลางสือของเราก็ได้นี้ค่ะ ค่ะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีมันมันมันมันรักษาใจเราด้วยคือเราเริ่มเริ่มอยู่คนเดียวก่อนที่บ้านก่อนเลยก็ได้เพราะว่าที่หนูปฏิบัติก็ทําที่บ้านค่ะก็คือลงมาอยู่ข้างล่างอืมค่ะอยู่คนเดียวฟังสดมนเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะอ่าดีค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อก็จะมาจาับดีปีใหม่หลวงพ่อก่อนค่ะโอเคสาธุ okay, ขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะคะจ้าสาธุมาสักการค่ะไปที่ซันนี่บ๊ายครับไม่เป็นไรไม่กลับนามัสการพระอาจารย์ค่ะกลับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะพระอาจารย์ปีใหม่ก็วันใหม่ก็มีวันใหม่ทุกวันในะครับมันต่างกันตรงไหนโอเมื่อเช้านี่กับพรุ่งนี้มันต่างกันตรงไหน แต่งนิดหน่อยว่าจะมีอธิษฐานจริงใหม่ก็ปีหน้าตั้งใจว่าเอ่อจะพยายามฝึกปฏิบัติให้ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าปีนี้ค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูอาจารย์พระอาจารย์ค่ะมันพูดได้แต่ปริมาณมันไม่ก็ไม่ก็ มีคำว่าจะพยายามเลยนะค่ะอาจารย์กักไว้นิดนึงก็ยังดีบางทีมันต้องกำหนดว่าออถ้าปีนี้ป <Evet> ฏ <Beyonce Review> ิบัติวันละสองชั่วโมงก็ต้องเพิ่มเป็นสามชั่วโมงอะไรให้มันไปให้มันมีรูปลักษณะปริมาณนี่พูดแบบยังไม่กล้าพูดเลยค่ะอาจารย์หนูขอกว้างกว้างอีกปีหนึ่งค่ะโอเคไม่มีไรนะค่ะอยากถามอาจารย์ว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเป็นเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้แล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยใช่ไหมคะก็ตัวเดียวกันเหรอคือเราก็มันเป็นธรรมชาติเป็นความเป็นเป็นฟังชั่นของจิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำหน้าที่ต่างๆ่างเวทนาเป็นตัวแสดงความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาก็เป็นตัวความจำสังขารก็คือตัวความคิด ปัญญาเป็าก็ตัวรับรู้เสียงกลิ่นมาจากตาหูจะบอกเลี้ยงกายแล้วมันทําหน้าที่เหล่านี้โดยที่เราไม่สามารถที่จะไปไปห้ามไปสั่งมันได้มันจะคิดอะไรมันก็คิดของมันไปมันจะจำเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จำของมันไปนอกจากว่าถ้าเราบางครั้งเราเข้าสมาธิได้เราก็หยุดมันได้ชั่วครัง้งชั่วคราวดัง น, นั้นเวลาเวลาอย่างอย่างตอนเนี้ยมันยึดยัง ความเงาอยู่เนี่ยบางทีใจไปคิดเรื่องหนะึ่งนะไปจําไปไปนึกถึงคนนั้นไปจําถึงเรื่องเมื่อวานนี้บ้างเรื่องพรุ่งนี้บ้างสัญญามันก็ทํางานของมันไปบางทีเราก็อยู่ในกรอบที่เราควบคุมมันได้ก็เราควบคุมมันไปเช่นเราเห็นรูปแล้วเราไม่อยากจะเห็นรูปเราก็หลับตาเสียมันก็ไม่เห็นได้ชั่วข้าว แต่เราจะไม่ควบคุมมันตลาดเวลาไม่ได้ดัง้บางทีเราก็ต้องยอมยอมรับบางทีมันก็ไม่ได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบอแต่เราไม่อยากจะฟังเราก็ทุกถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องยินดีที่จะฟังเสียงที่เราไม่ชอบัญานะค่ะคือเราจะต้องปฏิบัติกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือ ให้เขามไม่ไ ม, ไม่ไปค <ไป S 1> <ป>วบคุมเขาไม่คิดอยากให้เขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าคิดแล้วมันทําให้เราทุกข์ก็อย่าคิดแต่บางครั้งถ้าคิดแล้ว อ, อาสามารถที่จะทําได้ก็ทํำก็ทําไปบางครั้งก็อยากจะทำให้คิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางไปภาวนาไปทําบุญทําทานไปรักษาสี่งนี้ น, นี่เราก็ต้องเราก็สั่งมันได้ หลายที sabes, <es> anyway, ่มันก็ไม่ยอมคุณคุณไม่ไปคุณจะไปเที่ยวแต่ใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่ามันฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันฝ่ายกิเลนและฝ่ายทําทำวิจิทําิกิเลใช้สั้นคลายความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือถ้ากิเลนมีกําลังมากกว่ากิเลนก็อยู่ถ้าวันไปเที่ยวฮ่องกงดีกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่า ถ้าทำทำมีกําลังมากกว่ า, าไปไปวัดดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอันนี้ก็คือสันขานก็คือต้องพยายามใช้สติสมาธิเพื่อเสริมพลังฝั่งดีใช่ไหมคใช่ถ้าเรามีสติแล้วก็สามารถดึงใจให้ไปกินในทางที่เราต้องการได้ดึงให้มันจำนํำในเรื่องที่เราต้องการให้มันจําคือจำว่าเป็นทุกอย่างเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้ก็สัญญายใช่ไห แต่เราถ้ากิเลสมันชอบเราไปจําว่าเป็นนิจจังสุขขังอนาตานเห็นทองเนี่ยบอกคนณแม่เห็นทองเป็นนิจจังสุขขังอนาต า, านใช่ไหมเราต้องธรมะจะบอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนตานทองเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลงอพอมันลงมันก็ทําให้เกิดทุกขาาังขึ้นมาใช่ไหม แล้วเป็นตาเพราะเราควบคุ่มได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ให้มันลงได้ไม่ให้มันขึ้นอย่างเดียวนะไม่ได้นั่นแหละง้นเรต้องพยายามสอนใจให้มาคิดทางทางธรรมะให้จดจําทางธรรมะจามนิจจทุกขังอนัตตาถ้ากิเลสมันชอบเราจะจามว่าเป็นนิจจสุขังอนัตตาเนี่ยนี่คือก็ก็เป็นหน้ามขันทั้งนั้นแหละพวกนี้ที่ บางทีเราก็ครอบคุมได้บางทีเราควบคุมไม่ได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องใช้อุบเบกขาใช้ใจไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะทําให้ใจเพราะความอยากเป็นตันหาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่จะทําให้ใจเครียดจทุกข์ขึ้นมาอย่ากไม่ให้ไทยอย่ากไม่ให้ทองลงเนี่ยแล้วเครียดขึ้นมาบางทีอยู่เราสั่งมันได้บ้างเราห้ามมันได้บ่างไม่ได้ค่ะไม่ได้เราใช้อุบเบกขา แล้วเราก็จะไม่เครียดเฉยๆไปมันจะขึ้นก็ขึ้นมันจะลงก็เงง่ายขอ ง, งมึงไม่เกี่ยวเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็เราทําใจและส่วนสุดที่อย่าไปยินดีนไะลไม่นักไม่ชังขึ้นก็ไม่รักลงลงก็ไม่ช่างเฉยเฉยไปต่ก็จะไม่ทุกข์ค่ะพระอาจารย์อนี่คือนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทํางนาน มันทำงานเหมือนกับเป็นตัวละครนั่นสละครพร้อมๆกันเป็นเวทีนะต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของของมันถ้าใจไม่รู้ทันใจก็อยากจะไปควบคุมเป็นผู้กำกับเพราะว่าพอไปกำกับมันไม่ได้ก็เลยทุกข์เราชอบชกำกับให้มีแต่สุขเวทนาใช่ไหมใช่ค่ะไม่อยากให้รางกายเจ็บปวดฟันไม่อยากให้มันปวดฟันไม่อยากให้มันเจ็บท้องอนะไรเนี่ย แต่เราควบคุมมันแค่ารรดาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องใช้บำบัขาฝ่ายมันเจ็บไปนักษาแน่ก็่าไปรักษาตอนที่มันยังไม่ได้รักษามันเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปยอมไปทุกขกับมันค่ะพระอาจารย์หน้าที่ของเราก็คือให้รู้ทันมันแล้วก็ถ้าจัดการมันได้กำกลับมันได้ก็ทำไป ถ้จาจัดการมันไม่ได้กับกี่ไม่ได้ก็ต้องวางเฉยผูออ้เบกขายอมรับก็พอค่ะพระอาจารย์อย่าเมื่อกี้เด็กคนนี้คนน้หน้าหน้าตาซึมเลยใช่ไหม <laughs> นันคืออารมณ์อันนี้ก็เป็นอารมณ์เพราะง้ก่ดจะเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญานี่แหละนที่มันไปโดนกระทบะสิ่งที่ไม่ถูกใจขึ้นมาค่ะ บางทีเหมือนหนูก็รู้สึกว่าแบบอยู่ๆอารมณ์ก็ขุ่นโวมาแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะพอพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะมันพวกนี้หลือบางทีก็มีเนื้อนึกขึ้นมาในอดีตหรือมันเรียนไรลึกๆที่เรายังเข้าไปไม่ถึงก็ได้ใช่แล้วอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาในในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มันก็มีผลที่จะทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวนได้ แต่เราก็ไม่ต้องไปหาสาเหตุทุกเรื่องใช่ไหมคะก็ให้ให้แบบให้แบบให้รู้ จ, กจักวิธีปฏิบัติกันบันงีว้วยวิธีปฏิบัติก็คือวางเฉยอยู่นนั้ยอมรับสภาพแล้วใครมานั่งคิดว่ามันเกิดจากอะไรถ้าไปถ้าไปแก้ได้ก็ไปแก้ทีหลังก็ได้แต่ตอนต้นนี้ต้องต้องต้องอุเบกขาก่อนอย่าไปอยากให้มันหายไปค่ะอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าคนโดน ลูกสอนยิงมาอย่าเพิ่งไปหาว่าใครเป็นฆาตรกร ใ, ใครเป็นคนยิงอให้รักษาก่อนรักษาแผลให้ก่อนแล้วค่อยมาไม่เข้าว่าเป็นใครแล้วเขาตอบไปเราจะได้ไม่ไปอยู่ใกล้เขาอะไรเป็นต้นค่ะพระจังถ้าเราปวดท้องเราก็รักษาใจก่อนอย่าไปทุกข์กับการปวดท้องเราวก็มียา ก, กินก็กินไปมันก็มานั่งวิเคราะห์ในวันที่เรากินอะไรแล้วป่ามันท้องเสียหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไร ถ้ามีข้อได้ก็ราะห์ไปไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปสนใจอ๋อข้อสําคัญก็คือวิธีการปฏิบัติกับมันว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์้องปฏิบัติแบบไม่มีความรักช้ำไม่มีความไม่มีการไม่มีตัณหาความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปเราก็อยู่วนไป ก็คือยังไงก็วนกลับมาว่าเราจะต้องฝึกให้มีอุเบกขาให้ได้ในเบื้องต้นค่ะถึงจะท่มกับเส้นได้ถ้าจะมีอุเบกขาก็ต้องมองเห็นว่าเป็นตายรับเอ่ให้หน้าตาเหมือนเหมือนฟ้าอากาศเรากบคุ้มบรได้่รือฟ้าอากาศไม่ได้ค่ะงานองการต่างต่างก็เหมือนกันวิทนาสัญญาสัมผัสวิญญาณหรืออารมณ์ก็มัน อนัตตาอันนี้นะเราก็ควบคุมขับมันไม่ได้เสมอไปใช่ครับจารยแต่เราอย่าไปทุกข์กับมันได้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันอยากจะมันอยากจะดีใจก็ปล่อยมันดีใจไปมันอยากจะเศร้าใจก็ปล่อยมันเศร้าใจให้รู้ทันได้รู้เฉยๆไปทุกว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนิ่งฟ้ากเดี๋ยวฝนตกนิยวแดดเราเราก็อยู่กับมันได้เใช่ไหมอือ แต่เราไม่ยอมเนี่ยพอมันเศร้าเราอยากให้มันหายเศร้ากันมาอยากจะให้มันเบิกบานวิธีแก้ความเศร้าบางทีก็ต้องไปเที่ยวสักสองสามวั น, นต้องไปดูยูทู u เสิร์นหน่อ ย, ยอะไรใช่แล้เดี๋ยวอหายเศร้าแล้วพอกลับมาก็เจอของเก่าก็เศร้าใหม่ขึ้นมาอีกไม่ต้องไปหนีนี่ไม่ต้องไปหนีความเศร้าหนีความเจ็บทําใจอยู่กับมันไปนี่ก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็หายเอง ตัว อ, อย่างเป็นนั้ น, นิจจ้มค่ะพระอาจารย์แล้วท่านจะถ้ามันยังไม่ยอมอยู่เราก็เข้าสมาธิไปถ้ามันไม่ยอมมีถ้าไม่มีอุบเบกขาเราก็ต้องเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิได้เราก็ระงับการรับรู้เรื่องราวต่างๆไว้ชั่วคราวแล้วก็ อ, อกมาเราก็ใช้อุบเบกขาที่ได้จากสมาธิอยู่กับมันไป เน้นสมาี่สำคัญมากสติสำคัญมากเมมีปัญหาอะไรก็หลบเข้าสมาธิก่อนก็ได้ถ้าใจวุ่นวายใจเครียดแก้ปัญหาไม่ได้ก็เข้าสมาธิไปทำใจให้สงบส่วนออกมาก็ใช้ปัญญาว่าเนี่ยสภาว่าทำมันเป็นอย่างนี้มัาไปเปลี่ย น, มนไม่ได้มันเป็นอนตตาก็อยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์ ปีนี้หนูก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามพยายามฝึกสมาธิให้สามารถตัวเองสามารถมีที่หลบในสมาธิได้อ่าเวลาเครียดมือจะแก้ปัญหายัางไงก็เพราะถ้าวางวางโมเบขาอยู่กับมันไม่ได้ก็หลบเข้าไปก่อนนะเข้าไปในสมาธิก่อนแล้วออกจากสมาธิมามันจะมีกําลังโมเบคาที่จะอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับเรื่องราวที่เราไม่ปรารถนาได้ ค่ะเมือเราสร้างหลุมหลบภัยไว้ชั่วคราวก่อนใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่มีพลังไปต่อสู้ใช่แล้วก็สร้างพลังในขณะเดียวกันเด้วไม่ได้หลุมหลบภัยแล้วเราก็มีเวลาพักจิตจิตก็จะได้มีพขึ้นมามีอุเบกขาขึ้นมาพอจะสมาธิมา ก, ก็ใช้อุเบกขานี้ในอยู่กับความทุกข์ต่อไปได้ค่ะแพทย์แจ้ง หนูมีความเข้าใจมากขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะอาจารย์นําไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะพยายามทําความเข้าใจซ้ำๆจนเป็นภาวนามายปัญญาค่ะเออน่นะต้องมีต้องมีต้องมีโมบเบกขาจากสมาธิแล้วต้องเห็นตายรับก็จะเป็นภาวนามายปัญญาค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะค่ะอะไปที่คุณแดนจ้ะแอ น, น ตอนนี้ยังทำงานอยู่ก่อนมาสัการเจ้าค่ะทําเจ้าค่ะตอนนี้มาอยู่นิวยอร์กเจ้าค่ะไปทั่วเลยนะไปทั่วเลยครับการดูในภาพก็ไม่ไม่รู้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะมันก็แบบค่ะอยู่ในห้องอยู่แต่ในห้องโรงแรมมาจะขับหลวงเจ้าข่บหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนอนิวยอร์กตอนนี้ยังเช้ากว่าที่อื่นเขาเอพิ่งจะเช้าของวันที่สาสิบเอ็ดเจ้าค่ะพอเช้ากสิบสองช่วโงประมาณใช่เจ้าค่ะก็เลยเดี๋ยวคงจะอยู่ปีเก่าไปก่อน ตามตามไปปีหน้าทีหลังค่ะแล้วต้องบินเมื่อไหร่เดี๋ยวคืนนี้ก็บินแล้วเจ้าค่ะก็เอ่อพิก up ตอนห้าทุ่มถึงสนามบินเที่ยงคืนสามสองหนึ่งก็ทํางานเลยเจ้าค่ะทํางานต่อเลยข้ามปีอป็นจับเป็นจับตัวเกลือเลยใช่เจ้าค่ะอตอนแรกนึกว่าวันนี้จะไฟลไม่เต็มที่ไหนได้คนเยอะมากอแล้วไม่มีจอดเลยวิ่งวิ่งบินต่อเลยค่ะ ไม่จอดเลยเจ้าคะ่ะน่าจะวันนี้เกือบสิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเจ้าค่ะอืมค่ะก็ดีค่ะทั้ง น, นั้นก็มีเวลาพักผ่อนเวละทํางานเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วก็มีเวล า, านั่งพักผ่อนได้ใช่เจ้าค่ะน่าจะได้ไฟกันคืนอย่างนี้คนคนไม่ค่อยยุ่งก็น่าจะได้นอนสักคนละสามสี่ชั่วโมงอยู่อืมได้นอนเยอะอยู่เจ้าคะ่ะอ่าค่ะเสิร์ฟอาหารสองมือ้อตอนขึ้นวันนี้วันนี้เสิร์ฟ ถ้า business หนูอยู่ business class วันนี้ก็เสิร์ฟแค่มื้อเดียวจะค่ะแต่ว่า ม, วมันจะเป็นเมนูที่เป็นไฟล์ที่ผู้โดยสารจะสั่งอะไรก็ได้ตลอดไฟล์อะคะ่ะก็แล้วแต่ถ้าใครตื่นก็ก็เสิร์ฟก็ทําทําให้ตา<ด>เาของเขาไม่ต้องไม่ต้องตามตามที่เราสั่ให้เขาใช่ค่ะคือมันมีมันมีคอสหนึ่งที่ที่จะให้ทุกคนกินพร้อมกันค่ะแต่ว่านอกอนอกเหนือจากคอสเนี้ยมันจะเสิร์ฟเสิร์ฟเมื่อไหร่ก็ได้หลังเทคออฟไฟจนกว่าจะแลนด์นะคะ ผู้โดยสารสั่งได้ได้ตลอดแต่ว่าแต่ว่าดังแต่ว่าปกติก็คือหลังหลังเดินทางไปแล้วประมาณแปดชั่วโมงก็ก็จะเปิดก็จะมีเสิร์ฟคอสนึงอะค่ะให้ทุกคนค่ะไฟยาวก็จะแล้วแต่ผู้โดยสารเพราะว่าให้เขานอนให้เขาพักผ่อนได้ค่ะก็ยังปฏิบัติท่ะนลุงพ่อปีนี้ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าตั้งใจว่าจะพยายามทำให้ได้มากกว่าเดิมเจ้าค่ะ ออืนี่ถ้าต้องการก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติค่ะหนูก็มานั่งสมาธิเป็นต้องต้องเรียนตามตรงว่าเพราะหลวงพ่อเลยเจ้าค่ะจากจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยนไม่กล้านั่งสมาธิปีกว่าที่ผ่านมาเนี่หนูหนูได้ได้ฝึกฝึกนั่งสมาธิตามตามคําสอนที่หลวงพ่อให้มาค่ะช่วย ห, หนูเปิดเปิดตาได้เยอะเลยค่ะเปิดสว่างทางสังเหตุสร้างสว่า ง, า ง, างขึ้ น, ข, นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะ ทำจรมันยากทจริงมันไม่ยากอะไรถ้าเรารู้วิธีนะเมื่อก่อนไม่มีผลไม่มีคนแนะนามาเจ้าค่ะหนูก็ไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะมันไม่มันไปไม่ถูกอะค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะจะทําได้ไหมแล้วก็กลัวยังยังยังมีความหลงความกลัวอยู่เดี๋ยวนี้ไปลงค่ะมีคําสอนแปลกๆเยอะๆด้วยเอางี้ฟังใช่เจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนูไปโรงแรมไหน เมื่อก่อนมีจะมีโรงแรมหนึ่งที่เขามีประวัติใช่ไหมคะ ม, ม่การนั่งอย่างนี้ลองนั่งลองนั่งหมดเลย้วก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะค่ะกลัวไปเองฟังเยอะฟังเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรเยอะแล้วก็ไม่กล้าพอลองพอมีมีแนวทางที่ได้มาจากหลวงพ่อเจ้าค่ะจากคาสอนที่ที่ดูแล้วแบบถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองปฏิบัติตามแล้วมันเห็นผลนะคะอืก็ต้องก้าวหน่อยด้ยต้องก้าวก้าวหน่อยเนี่ยอยาชนะความกลัวได้ค่ะ พอลองครั้งนึ่งแล้วก็รู้ว่าเออมันมันก็ไม่มีอะไรนี่นะเราเรากลัวมันเป็นความกลัวของเรามาตลอดใจเราคิดไปใจเราคิดไปส่วนใหญ่ค่ะอย่างที่บอกผีผีจริงไม่เหล่าผีเหล่าไม่จริงค่ะเดี๋ยวนี้หนูก็เลยรู้สึกดีว่าเออไปที่ไหนหนูก็กล้านั่งสมาธิมืาก่อนจะกลัวว่าต้องรอกลับไปที่บ้านเท่านั้นถึงจะนั่งสมาธิได้ไปไหนก็เลยไม่ได้ปฏิบัติเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะนั่งว่างๆก็ไก็ฝึก เอฝึกหยุดคิดจ้าค่ะที่หลวงบอกหลวงพ่อเจ้าค่ะทําทําทําสมองให้ว่าสมองให้ว่าอย่าไปคิดอะไรจดจ่ออยู่ในงานที่เราทําค่ะพอคิดก็ดึงกลับมาดึงกลับมาก็ก็ก็ทีละนิดเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ได้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดดีพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องทําให้มากขึ้นท่าเองค่ะยังน้อยอยู่เจ้าค่ะยังรู้ตัวว่าน้อยอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ก็ได้ ได้ทําทุกวันพยายามให้ทําทุกวันเจ้าค่ะอย่างน้อยก็นั่งถ้าถ้าไม่ได้เหนื่อยจากจากบินกลับมาหนูก็จะก่อนนอนก็จะนั่งขึ้นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันหยุดอย่างเมื่อวานก็ได้อยู่อยู่ทั้งวันไม่ได้ทําอะไรค่ะก็นั่งเข้าออกเข้าออกได้ไปสามสี่รอบเหมือนกันเจ้าค่ะอืมวันนี้เขานั่งกันหนาวมากเลยนะมีหิมะไห ม, มวันนี้มีมี forecast ว่าจะจะหิมะตกตอนกลางคืนเจ้าค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ที่ลบหนึ่งลบหนึ่ง ค่ะโดยประมาณแต่ถ้าถ้าไม่มีลมก็ก็ได้อยู่เจ้าค่ะเมื่อวานออกไปก็ลบหนึ่งแต่ว่าออกไปซื้อข้าว<ม>กินแต่ว่าไม่ไม่หนาวเท่าไหร่<ม>ใส่ใส่ชุดตัวใหญ่ใส่ใส่หลายชั้นก็ค่ะก็ช่วย<ม>ได้ค่ะไม่ได้สัมผัสกับอากาศแปลกแไม่อยากออกไปเท่าไหร่เจ้าค่ะหลงพ่อถ้าไม่จาเป็นจริงเนี่ย เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเสียวว่าหมดซูมเดี๋ยวต้องออกไปซื้อซื้ออาหารสักมื้อหนึ่งมไม่อยากออกแต่ก็ต้องออกเจ้าค่ะนี่มีอะไรกินที่ยโรงแรมก็มีขายหรือว่ามีแต่มันแพงมันแพงค่ะ <c oughs> เราสู้ อ, ออกไปใกล้ๆหน่อยดีกว่ายอมเดินออกไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าของหนูโรงแรมเขาเขาโอเคอยู่เขาอยู่ในในในเซ็นทรัลค่ะอยู่ใกล้ๆแหล่งของกินมันก็เลยเดินไปนิดเดียวรีบไปรีบกลับเจ้าค่ะ อะไแบบ takeout เลยไปสังาว่ากลับมากินน่ใช่ค่ะร้านที่นี่เขาไม่ไม่ค่อยมีมีที่ให้นั่งอะค่ะมันจะเป็นเป็นร้านเล็กๆเหมือนแบบ takeout สะส่วนใหญ่มีที่นั่งนิดหน่อยถ้าจะกินดีๆเลยก็ต้องไปร้านอาหารก็ก็แพงใช่เจ้าค่ะซื้อกลับมากินดีกว่าค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะมากลับ อ่า uh, สวัสดีปีใหม่หลวงพอ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะไปกราบหลวพ่อเจ้าค่ะถ้ามีโอกาสขอให้เจ้าวหน้าในการปฏิบัตินะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอ่า uh, จูบโกเบจุบยังอยู่โกเบอยู่หรืตอนนี้นวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่โกเบเจ้าค่ะอืมหนาวไหมที่โกเบ uh huh. ตอนนี้ตอนนี้ในห้องหนูอุณหภูมิสิบห้าองศาค่ะอืม uh huh. ข้างนอกนองประมาณสิบองศาค่ะพระอาจารย์อาอก็ไม่หนาวมากไม่หนาวมากค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์เทศให้คุณจันนี่ฟังก็ก็แบบได้ความรู้เพิ่มเราจากักเอาใจนะขันนามขันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นายรับเหมือนกัน รูปภัณฑ์ก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงวิทยาสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝตกแดดออกมีตัวตนไหมไม่มีค่ะใช่ไหมนั่นน่ะก็ดูสัญญาสังขารวิญญาณวิทนาก็เหมือนกันดินฟ้าอากาศเองเจ้าค่ะแต่บางเวลาเราก็ควบคุมมันได้แต่บางเวลาเราก็ควบคุมมันไม่ได้เจ้า เวลาควบคุมไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาสู้กับมันอยู่กับมันไปไม่ต้องไปดิ้นหนีมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายนี้มันก็หนีไม่ได้อยากให้มันหายมันก็ไม่หายก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้ให้ทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าอยู่เฉยๆกับมันไปอยู่กับอุเบกใช้อุเบกขาอยู่กับมันไปมันก็ไม่ทุกข์งั้นต้องฝึกอุเบกขาให้เยอะ อเอวเบกขาไี้มีคุณประโยชน์มากในการต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความทุกข์ถ้ามีอเอวเบกขาแล้วใจก็สบายสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปรักไปชั่งไม่ต้องไปหยากให้มันอยู่กับเราแล้วอย่าไปหยากให้มันหายไปเราสั่งมันไม่ได้ นะลองลองใช้ดูนะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เจอสิ่งที่เราไม่ชอบขึ้นมานะน่าจะใช้อุเบกขาอยู่กับมันให้ได้หรือเปล่าค่ะจ้ไปฝึกปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมโอเคขอี้นะค่ะออันนี้ไปข้ามไปยุโรปทันี้ลักเซมเบิร์กโอ้หอเรานี่นานาชาติจริงๆนะกลาวนามาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้ยินโยมไหมอ๋อได้ยินสิอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังได้ยินนะเยสัปดาห์ที่แล้วยมไม่ได้เข้าค่ะพอดีติดธุระและโยมเอ่อในหนึ่งปีมีสองวันโยมเกเลโยมทานอาหารเย็นเพราะว่าลูกเชิญไปเอ่อก็เลยตามใจหน่อยแต่ไม่เป็นไรโยมเอ่อทบทวนเอ่อทำทบค่ะทำทบก็ชดเชยก็ได้อดข้าวทั้งวันทันใช่ไหมไ <ช> <บน S 2> เฉย <บน S 2> ค่ะมนหรือเป่ามักินเลยได้บ้างคิดว่าได้นะเพราะว่าโยมตอนนี้ไม่รู้สึกหิวอ่ะพระอาจารย์จริงๆขี้กระทําให้เหมือนกันนะต้องทําทำดูไม่ถึงยังรูาได้ป่าต้อ ง, <laughs> องอมันต้องดื่มมาแต่ว่าถ้าจร <laughs> ิงอะไรแต่มันมันติดจะดื่มนะฮะโยมก็ตั้งใจวันนี้คืนนี้โยมจะสวดมนต์ข้ามปีของโยมนะโยมก็ตั้งใจว่า ปีหน้ายมจะต้องปฏิบัติมากกว่านี้ยมจะมาขอบารมีพระอาจารย์ช่วยคุ้มครองให้ยมได้เดินทางทำอย่างตลอดรสไปค่ะเอ่ยยมไม่ออกไปไหนแล้วละยมอยู่กับพระอาจารย์นี่แหละเนีนะ เ, เพราะว่ายมมีความรู้สึกว่ามันสงบแล้วแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันอะไรกับใคร เ, เราพอใจที่เราแข่งกับกีเลสของก็กองงกพอใช่เพราะว่ายมแข่งกับกีเลสของโยมนะเอ่อไอตัวขี้เกียจเนี่ย โยมพยายามนะท่านอาจารย์และโยมก็ไม่รู้โยมก็เลยจะเก็บมาถามท่านอาจารย์ว่าไอความขี้เกียจเนี่ยมันทําให้โยมเอเข้าพานิพานได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เข้านรกเนี่ความขี้เกียจที่ไม่ใช่โยมโยมมีความรู้สึกว่าเวลาโยมจะนอนสมาธิอะโยมจะนั่งสมาธิก่อนกลางคืน่ะใกล้ใกล้เที่ยงคืนเนี่ยมันรู้สึก มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันสบงบ อ, อย่างเงี้ยมมไม่มีส ต, ติสงบเขาไม่มีสติไม่ใช่มันจะสงบมันคือโ <c oughs> ยมก็เลยไม่รู้จะทำํำยังไงโยมก็ใช้แบบคิดเอาเองอ่ะโยมก็ทําเหมือนอย่างกับท่านพระอาจารย์สอนว่าให้ดูลมหายใจโยมก็เลยนอนนอนสมาธิอะ่ะแล้วก็ฟังพระอาจารย์แล้วก็ดูลมหายใจมันรู้สึกมันเหมือนกับเราเห็นเรารู้สึกตัวเราอ่ะเหมือนกิดกระแสอะไรมันวิ่งอยู่ในตัว โยมก็ไม่รู้นะโยมก็เลยจะมาถามพระอาจารย์ว่าเอการที่ว่าโยมนอนสมาธิเนี่ยดูลมหายใจแล้วพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยโยมจะโยมจะเข้าพานิพานได้ไหมคะไม่ได้เรามันต้องใช้ปัญญาข้ากเกล็นเข้าได้อย่างมาก แ, แค่สมาธิได้เองอ๋อค่ะแต่มันมันกน็มันสงบนะคะแล้วพอตื่นขึ้นมาโยมก็รู้สึกสดชื่นเอ๊ะสมองโยมก็ไม่มีความคิดไม่ดีเลยอาจารย์ เอ็นการนอนหลับ ม, มากกว่าเพื่อขอรางกาอ๋อค่ะแต่แต่โยมก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าโยมทำมาแล้วมากกว่าสามปีถือศีลแปดมาและโยมก็บอกแล้วว่าโยมจะไม่ไปทางไหนแล้วโยมก็เดินทางนี้แหละเพราะว่าโยมรู้สึกว่าต้งโยมโชคดีเป็นมุ่ยบุญมากที่มาเจอพระอาจารย์ค่ะโยมก็เลยจะปฏิบัติและจะปฏิบัติมากกว่านี้ จะขอบารมีพระอาจารย์ขอพลังช่วยโยมด้วยขออย่าให้มีภัยอะไรที่มันทำให้โยมไม่ได้ปฏิบัตินะคะใช้สัจจธิฐ า, านสัจจะอธิฐานตั้งสัจจะไว้แล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นโยมจะตั้งสัจจะโยมจะจุดธูปคืนนี้โยมจะบอกกับองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธ เ, เจ้าเพราะว่าบางทีปีนี้โยมผิดไปตั้งสองวันแน่ไปโยมโยมไปกินอาหารเย็นโยมทาผิดไปสองวันโยมจะ เดือนเนี้ยเดือนมกราที่กําลังจะมาเนี่ยโยมจะต้องปฏิบัติธรรมให้หลวงปู่มั่นท่านด้วยค่ะพอดีเจอบันเกิดท่านโยมก็เลยโยมนับถือท่านมากโยมก็เลยว่าเอ่อจะมาบอกพระอาจารย์ว่าโยมจะตั้งมั่นแล้วค่ะตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปโยมจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วค่ะโ <Okay. S 2> ยมไม่เกเรละใช่<ด>สาธุไปในธรรม<ย>ตามที่ปรารถนาค่ะโยมโยมขอพรปีใหม่โยมมาสวัสดีพระอาจารย์ค่ะ yeah. ขออายุวันเดียสมแขงพลังนะคะ่ะะขอให้พระอาจารย์มีมีธาตุขันแข็งแรงเออแล้วก็อยู่ไปถึงร้อยปีเลยค่ะ อ, อขอได้ก็ดีกราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสวัสดีใหม่ท่านพระอาจารย์ด้วยค่ะ yeah, สาธุ yeah. จ้ะอาชีพต่ออาชีพไวริลกรงโดดข้ากับไปลอยไป ค่ะธรรมส ก, การค่ะอ า, าจารย์โยมรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาก็พยายามก็จะเข้าแต่ว่าเข้าสายไปหน่อยบวแต่ยุ่งกับลูกค่ะก็เลยเอ้ยเข้าสายก็เลยรู้สึกว่าสายไปแล้วคงไม่ได้เก่งใจก็เลยคิดว่าออกฟังข้างนอกดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้โยมโยมเป็นนักเรียนที่ดีเลยเข้าแต่หัววันเลยอันนี้ท <c oughs> นานํางานเยอะปะ วันนี้ไม่ทําค่ะวันนี้มันออสิ้นปีออใช่ค่ะบริษัทหยุดค่ะปะั๊บปับมันแบบวันผ่านไปไวมากเลยค่ะปีหนึ่งอะคะ่ะแล้วออพอเรามาเนังมองว่าปีที่ผ่านมาปีสองพันยี่สิบห้าเราทําอะไรบ้างเหมือนแบบเหมือนพยมมาเนังมองตัวเองอะคะ่ะมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตหมุนไปกับอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะซึ่งมัน สติเรามีเท่าไหร่เหมือนพระอาจารย์บอกว่าให้ฝึกสติใช่ไหมคะยมก็มานั่งมองแบบเหมือนเรามีรีเฟล็กยมจะแบบรีเฟล็กตัวเองทุกปีแบบปีนี้เราทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นความไม่คะไม่เห็นความก้าวหน้าในสมาธิของตัวเองเลยค่ะปีนี้ยอมรับก็พระอาจารย์ตรงๆยมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราจะอายุเราก็มากขึ้นทุกวันเราต้องรีบเร่งรีบแล้วอะค่ะเหมือนได้ยินพระ ครูบาอาจารย์ไหลายรูปเลยค่ะที่บอกว่าถ้าให้เน้นสติเน้นสติปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องตั้งสัทธาที่ฐานนี้ก็ทาได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอาทิตย์หนึ่งเงี้ยต้องมีวันพักสักหนึ่งวันไวป้ไวปฏิบัติทำใช่ค่ะแล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องนุ่งขาวขมขาวก็ได้ไใช่ไหมค่ะแล้รักษาสิบแปได้ ก, ก, ก็ก็ดีแล้วนั่งก็นั่งสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่ยังนั่งได้ อ่าบางครั้งโยมก็แค่คิดว่าเวลาเรามีช่วงนี้อใช่ไหมคะเหมือนกับพอโยมเป็นเรามีปัญหาทางการเงินแล้วก็แบบอเวลาลูกไม่อยู่เราว่างแล้วก็ออกไปหางานเสริมทํามันกลายเป็นว่ารูทีนมันเป็นอย่างนี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเราปีใหม่นี้โยมต้องจัดเหมือนที่พระอาจารย์บอกคะ่ะเราต้องจัดวันหนึ่งดีกว่าว่าเป็นวันที่เราแบบว่างจากลูกอยู่คนเดียวเรามีโอกาสอยู่คนเดียวแล้วทําไมเราไม่เทค e a d v a n t a g ของเราตรงนี้ก็เลยคิดว่าทำตามที่พระอาจารย์<ม>บอกค่ะว่าเราต้องตั้งสัจจะว่าสักวันหนึ่งเราเอามาปฏิบตัติเรานักถือสินเราสื่อสินแปดดีกว่าแล้วเราก็ลองถามดูว่ามันชะมันจะท้าทายความสามารถขีดสติขีดกิเลส ข, ของเรามันอยู่แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ค่ะก็จะพยายามทามนะคะแล้วก็พระอาจารย์คะเวลายมนั่งอะคะ่ะอันนี้มันเพิ่งผุดขึ้นมาคาถามว่า เวลาเราจะนั่งสมาธิเราควรจะมันมีความคิดขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมคะเราควรจะมองความคิดให้แบบแค่รู้เฉยๆหรือว่าเราไม่ควรจะมองความคิดเราควรจะพุทโธเราควรจะทำหรือว่าเราควรจะทำแบบไหนดีคะระหว่างมองความคิดให้มันแค่รู้เฉยๆกับพุทโธภาวนาพุทโธไปในสมาธิหรือว่ามองลมหายใจอะไอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามองได้แล้วหยุดความคิดได้ก็ดีเนี่ยมันคลมันไม่หยุดแั่นี่ย อ๋อมันถึงว่าถ้ามองแล้วรู้เฉยๆแล้วก็มันก็ยังคิดมาเรื่อยๆมันไม่ยุดเราก็ควรจะพุทโธดีกว่ า, ททวาใช่ไหมคะพุทโธดีกว่าพุทโธจะได้หยุดมันได้อเพราะเร า, <น>เราไม่มีสติที่ไปหยุดความคิดได้โดยตรงเราต้องอาศัยอาศัยพุทโธเป็นเครื่องมือค่ะมาหยุดความคิดก่อนแต่ถ้าต่อไปถ้าเราปฏิบัติมีสติแก่กล้าแล้วเราพอเห็นความคิดปั๊มแล้วก็สั่งให้มันหยุดได้ ก็ไม่ต้องใช้พุโทโธกันนะแต่มันยากยากว่าจะไปถึงจุดจุดนั้นได้มันไม่ใช่ของง่ายดัง ต, ตอนนี้อาศัยพุโทโธไปก่อนดีกว่าค่ะที่เหมือนหลวงตาบวัวมหาบวัวท่านบอกอใช่ไหมคะคือท่านยังต้องพุโทโธพุธโทโธกบมันเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่วันยาจะคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องนั้นต่อต่อเรื่องนั้นแล้วก็ไปต่อนั่นงน น, น, น, น้นต่อมันคิดไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันไม่หยุดเอง ค่ะเพราะความทุกข์ใช้พุทโธหยุดมันใช้สติค่ะเพราะความคิดมันก็มาเรื่อยๆมันมาพร้อมกับความทุกข์มันก็เหมือนมันไม่ได้อย่างใจมันมันติดผุดขึ้นมาเองจากข้างในอะค่ะเราไม่ได้ไปไปตั้งใจให้มันคิดมันก็คือเราก็เอาพุทโธกบไปพอสักวันหนึ่งมันนิ่งๆแล้วเราก็คอยแบบดูนิ่งๆเฉยๆไปเลื่อนในสมาธิใช่ไหมคะถ้าไม่พุทโธไปเดี๋ยวมันก็มันก็จะนิ่งออกมาเอง ค่ะแล้วพอเราออกมาจากสมาธิมันก็จะมีอุเบกขามากขึ้นเพอเรามีสติมากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องค่ะพ <อ S 1> ะารามีแรงชได้มากแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นอะไรจะเกิดก็เกิดก็คือเป็นไตารางไป อ, อ น, นี้นะคะปเป็นไตรังไปอันนี้ค่ะเราห้ามมันไม่ได้สั่มันไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้โยมก็มีคําถามแค่นี้คะ่ะพระอาจารย์โยมขอขอบพระคุณพระอาจารย์ ตั้งแต่รู้จักพระอาจารย์ยมรู้สึกว่าชีวิตโยมมีได้เกาะชายพระเหลืองพระอาจารย์ไปก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะคะแล้วก็ขอกาเฉยๆไม่ได้บุญหรอกน้องเกกาะเกาเกาะด้วยการปฏิบัติเกาด้วยการปฏิบัติเกาะเฉยๆมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรพระเหลืองก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะก็เดี๋ยวจะมาปฏิบัติให้ถี่มากกว่าเดิมนะคะพระอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณ พระเจ้าเคยพูดไว้ว่าถึงแม้เธออยู่ใกล้ตัวเราแต่ถ้าเธอไม่ปฏิบัติเธอก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราอ <สา S 1> ถึงแว่แม้เธอจะอยู่ห่างไกล้จากเราแต่ ถ, ถ้าเธอปฏิบัติก็เทว่าเธออยู่ใกล้เราอยู่ติดชายพ้าเหลืองของเราค่ะอันนี้ยมปฏิบัติให้เหมือนอยู่กับขอบข้างกุฏิพระอาจาร์เลยอถ้าปฏิบัติก็ถึงเลยถึงเลยถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ไม่ถึงอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติ ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะยมก็กล่าวสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีธาตุการแข็งแรงนะคะข อ, ขอ<น>ให้พระอาจารย์ได้เทสให้พวกเราแบบอยู่เป็นล่มพ้นลมใสของพวกเราไปนานๆนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ด้วยซลินทรมาแล้วคะ่ะยังอยู่ยังติดต่อยู่นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวว่าจะเจอกันเนี่ยค่ะพระอาจารย์อาจจะพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันเสาร์ค่ะอ๋อไม่คนนี้ไม่เป็นข้าวนาวด้วยกันนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาจจะนัดไปสวดมนต์ข้ามปีอยู่ค่ะอาจารย์แต่กลัวว่ากลัวว่าแบบมันจะสังขารมันจะแผละไปแต่โยมก็แบบแปลกใจนะคะเวลาเราคิดถึงว่าเราสวดมนต์ข้ามปีมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเราอาจจะง่วงหรือเปล่าแต่พอเราดูทีวีดูติกก๊กต็อกแบบอะไรแบบเนี้ย ม, <c oughs> มันข้ามมันข้ามเวลาไปได้แบบว่าเอาตีสองล้วหอลออะไร โอเคบายบายขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบพคุณทีมงานด้วยนะคะอคนไหอเชียงรายกรรมวุฒิไทยแลนาทีการนับวัฒการพระอาจารย์ครับอืมเป็นยังไงคืนนี้ในสัตว์ชีวก็บ้าคืนนี้คืนนี้เ่ยครับพระอาจารย์เข้าดาวเลยก็ปกติก็ปฏิบัติอยู่ละอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าผม ที่พระอาจารย์บอกให้ปฏิบัตินในสันติคือยั ง, งวัน<ช>วันพระที่ผ่านมาก็เริ่มนะครับพระอาจารย์เริ่มใหม่แล้วเหครับก็ก็มาเน้นถึงมรณา น, านุสติที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเราอายุเยอะแล้วผมก็เริ่มนะครับพระอาจารย์อได้ได้สองสองศีลแต่ว่าแต่ว่ามันมันเพียมากครับพระอาจารย์นั่งนั่งไปแนละ้วมันความรู้สึกมันเหมือนนานมากครับพระอาจารย์ปวดขาปวดอะไร เผือมองดูนาฬิกานั่งสามทมาอาจารย์ครับอืมมองดูนาฬิกาอา้าวเพิ่งสิบเอ็ดมงคึ่งหรอเนี่ยใจนี่คิดว่าตีสองตีสามเลยอาจารย์แต่ก็เออพยายามก็นั่งนั่งจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะอาจารย์อืมเที่ยงคืนแล้วก็เพราะว่าผมตีสามคึ่งหรือว่าตีสี่นี่ผมก็ตื่นมาอีกรอบนึ่งก็ก็ทำตุน่นทีห้าโมงกว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์ทำการทำตุ่นที่ทําไหวก็แล้วกันทำให้ไหวก็มันก็ยอมรับความจริงคทำ แต่ว่าแต่ว่าผมก็มาคิดดูตั้งแต่เออตั้งแต่เข้าซูมก่อนจะเข้าซูมฟังพระอาจารย์มาตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าก่อนโควิดแล้วพระอาจารย์อืมก็ตั้งแต่ท ร, รรมะบนเขาอฮะอืมครับก็มาจถึงแบบ น, นี้ก็ประมาณสักหกปีครับพระอาจารย์ก็มันชีวิตมันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยครับพระอาจารย์อืมยิ่งยิ่งช่วง โลกปลายปีเนี่ยครับอาจารย์ยิ่งที่ผมเรียนพระอาจารย์ไปที่นั่งไปแล้วก็ลมมันหายอยู่กับอยู่กับอยู่กับความรู้รู้ว่าลมมันหายอยู่อย่งนี้ยครับพระอาจารย์ใจมันก็นิ่งก็เบา ม, มาครับพระอาจารย์อืทุกวันนี้นั่งไปมันก็แค่นั่งปุ๊บไปสักสักพักมันก็ลมหายก็รู้ว่าลมหายก็อยู่อยู่อย่างงั้นนะครับพระอาจารย์ก็สําคัญให้มันนิ่งแลว้วกันให้ติดมันนิ่งให้มันต้องเฉย ก็รู้เฉยๆรู้ตรงที่พ่าอาจารย์บอกว่าเอ่อรู้ว่าลมมันหายก็หายก็รู้อยู่ตรงนั้นก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นผมก็รู้อยู่ตรงนั้นอยู่ทุกวันทุกเช้าอะครับอาจารย์ทุกเช้าก่อนนอนอย่างเงี้ยครับอาจารย์อืแต่แต่ปีหน้านี้ก็ก็เริ่มนะครัเริ่มในส่วนที่ก็จะพยายามให้ก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงถ้าเกิดว่าผมปกติผมก็ตื่นตีสามตีสมครึ่งเงี้ยอาจารย์แล้วสาสี่ชั่วโมงก็ไย้หมด ก็ holy, คงจะทําำครับอาจารย์ป <vender it imas en> ีห <treating> น <eds> ้าน <late> ี้ก็คงจะทําในสารชี้ไปครับป่หน้าับพรุ่งนี้แล้วนะก็วันพ็ดูดูใจตัวเองนะครับอาจารย์ถ้าถ้าเกิดอย่างอย่างวันศีลอย่างเงี้ยวันพระอย่างเงี้ยอาจารย์ผมว่าจะจะโซเชียลนี้ผมจะไม่จับเลยครับอาจารย์ก็จะฟังคำอ่านหนังสือธรรมะไปรู้สึกว่าใจมันเบาสบายกว่าครับ มันไม่รุ้นวายครับอาจารย์อถ้าไปไถเฟซบุ๊กดูอะไรสิสงครามยิงกันอะไรอันนั้นนี่แบบดูแล้วมันรุ่นวายอะไรครับอาจารย์ใช่มันเครียดข้ามมันมันเครียดก็ช่วงหลังมานี้คือถ้าเก<อ><อ>ิดวันพระวันไะไใครสูงข้อความ<บ>มาในไลน์ในเฟซ ไ, ไม่ตอบครับหรื อ, อเป็นทางโลกก็ตัดมันไปยะงไงทางโลกก็เป็นอย่างเงีข้ข้ามข้ามอาจารย์มันรุ่นวายข้ามก็ รู้สึกว่าเออชีวิตมันเปลี่ยนไปมันเบาความโกรธความอะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะครับอาจารย์บา mm hmm. งทีก็มันมีผมอ่านหนังสือของออของสมเด็จสมเด็จอรอญาานสังวรที่ท่านเขียนไว้ครับเกี่ยวกับออสติปัฏฐานสี่มันจะมีอตรงตรงนั้นนะอาจารย์ที่บอกว่า ความไม่พอใจหรือความไม่ชอบเนี้ยมันเป็นต้นเหตุของความโกรธนี้ยผมบอกบางทีมันขึ้นมาผมก็ตัดเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ออจะให้ไม่ให้มันเลยไปถึงโกรธนะฮะถ้มันไม่พอใจขึ้นมาเงี้ยไม่ชอบเนี้ยมันมันก็จะไปมผมก็ตัดตรงนั้นเลยครับอาจารย์ได้นี่แสดงว่ามีสติรทันครับก็ก็ถือว่ามาพบอาจารย์ก็ผมว่าโชคดีที่สุดแล้วครับอาจารย์อืม รู้เมื่อก่อนรู้สวยที่สุดทำไมรู้เลยไม่หรอครั บ, บมันถือว่าเหมือนกับผมมันหัวนคิดดูเหมือนกับผมได้ชีวิตใหม่แล้วครับอาจารย์ออเมื่อก่อนนะผมอ่ะผมมาเจอพระแบบว่าท่านพระที่ว่าเป็นเกจิเป็นปอะไรก็เยอะครับทางภาคเหนือผมว่าเจอก็อนั่งเจอนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยในเรื่องสมาธิเรื่องอะไรท่านก็เทศตทามทำนั้นไปเงี้ยพระอาจารย์ครับไปกราบท่านก็กราบเนี้ย กับก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ปฏิบัตินะครับเแต่มาพพบพระอพาจารย์นี่ก็ก็ถือว่าโชคดีมากครับโชคดี <laughs> ไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติอีกอะครับถ้าไม่ไม่เอาตอนนี้ก็คงพลาดโอกาสนะครับคงพลาดโอกาสไปเลยอะครับอาจารย์ผมว่าตอนนี้รางวัลที่หนึ่งเริไปขึ้นรามวัลท่านนะค่าผมค่าผมาครับก็เรียนปฏิบัติอยู่าาาครับพระอาจารย์ครับ ครับผมก็กลับขพอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ <Yeah. S 2> จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดให้พ้นในภพนิชชาตินี้ต้องพยายามมาครับพระอาจารย์ครับทาให้ได้นะครับผมครับสะดูครับกลับขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับอาจารย์พรมพิรายต่อเชิญวัยนั้นนกโกลเต่ไม่ยังยังไม่ได้นอนคะ่ะนอนพระอาจารย์อยู่คร<ม>ับกลับมาสการพระอาจารย์ครับ ดีดีนะฮอืมยังไงไม่เหนื่อยว่างไม่ยังก็วันนี้ก็เป็นวันเดียวที่จะได้นอนข้ามปีอ๋อนอนทุกวันนอนข้ามวันก็ก็ปีหนึงมีท้งเดียวนะฮะปีเป็นที่เลยก็ปีปีหนึงก็ได้วันนี้แหละครับที่จะได้นอนข้ามปีก็เดี๋ยวเจะไม่ได้เลย ก็ดีใจที่ได้มาถึงวันนี้ได้าการจะได้สักปีนี้ก็ต้องเหนื่อยเป็นกันนะต้องฝันฝ่ากับความทุกข์ต่างๆนะวันนี้วันนี้เห็นพระอาจารย์ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะกว่าจะนตักบาตกบาเสร็จสอมชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงเจ็ดสามเจ็ดวันนี้คนละคนใส่บาทเจ็ร้อยสามสิบเจดคนโอ้เหียโอ้เฮียหลักเท่าก็ แว่าไปวันนี้ไปอยู่ที่หน้าตลาดเพื่อนติ๋งเจริญรัตเนี่ยเขาไปตลาดอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดนะเขาไม่เป็นใครจำไม่ได้อมื่อวันี้เขไปค่ะสองวันเลยเขาไปตลาดพระอาจารย์สั่งข้าวจากคุณแมวค่ะอืมก็บอกบอกคุณลูกคุว่าปีหน้าเดี๋ยวจะชวนไปสวดมนต์ข้ามปีเดี๋ยวไปนอนหลับ มาดูวันนี้ไปวัดโพธิอะค่ะสวนที่บ้านก็ได้เพรมันสวนที่ไหนไม่เป็นแย่ดูค่ะหจริงๆก็สวนบนที่บ้าน่ะดีที่สุดแต่คนชอบออกนอกบ้านก็หาเหตุว่าคนนี้จะไปที่ไหนดีถ้าไปสวนบนดีกว่ามันเป็นกิมิกส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะใช่คนหนุ่มสาวไปเยอะดีค่ะอืม ดีดีกว่าไปไปดื่มไปทานนะไปสวดมนต์เขมีโรงทานค่ะเยอะเลยให้ให้คนไปสวดมนต์ทานก่อนอื่ก็ดีใจยินดีที่มีคนสนใจเรื่องศาสนาค่ะปีนี้วัดโพบกปีนี้จัดจัดรอบรอบโบสถ์เยอะปกติไม่ค่อยได้มีเก้าอี้ให้นั่งแต่ปีนี้มีเยอะค่ะ ที่วันนี้ก็มีเริ่มสามช่วงตรงนี้นกันเรื่อง่งสวดมนท่านบถึงถึงตีสองัหมคะถึงสองยามมันพอพอข้ามปีแล้วก็คบกันแล้วกันอ๋อเหรอคะจะถึงกี่โมงไม่ทราบแต่อย่างนั้นก็ต้าให้ถึงถึงเที่ยงคืนนะทุกคนคงมาเยอะนะคะแล้วก็ไม่เคยไปนงตกราลนอนดีกว่าไม่มีหน้าที่ พระฤาษีก็ทำหน้าที่กันก็ไม่ต้องไปก็อยู่รอบโบสถ์ใช่ไหมคะมันก็ช่วยกันในโบนั์นึงอ๋อค่ะถ้ามันล้นก็ต้องอยู่นอกโบสถ์นึงเพราะโบวถมันก็ไ ม, ไม่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเท่าไหร่โอเคขอให้มีความสุขนะปีใหม่ให้ดีกว่าปีเก่า ให้สุขภาพแข็งแรงอาจารย์แข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้มาเจอกันปลายปีหน้านะก็เจอถึงปีหน้าถึงปลายปีเลยค่ะเอาอุ่นก่อนอาจรย์หน่งปครับอ่าไปที่คุณหมอสุทธาสนีตาพันธ์พัาจาชกคขา วันนี้ลูกปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอวันนี้รักษาสิ่งแปดแล้วก็ลองนั่งที่เก้าอี้หกชั่วโมงดูเจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างก็พอเริ่มนั่งเก้า อ, อี้เป็นเก้า อ, อี้พลาสติกแข็งๆนะเจ้าค่ะอืมพอเริ่มนั่งลูกก็ภาวนาเลยเจ้าค่ะโดยใช้กรรมฐานคือพุทธานสติกรรมฐานเจ้าค่ะอ่าลูกสามารถนั่งได้อ่าประมาณหกชั่วโมงกว่าโดยไม่เปลี่ยนที่อาบน์เจ้าค่ะท่านอาจารย์ โอ้มันเก่งมากได้ความสงมบมไหมได้พบความสงบเจ้าค่ะอ่าดีต่าอัศาจารย์ใจนะน่าอัศาจรารย์ใจมากเจ้าค่ะอตอนนั่งช่วงน่าจะหลายชั่วโมงเจ้าค่ะมันเกิดทุกเขเวทนาบริเวณก้นเหมือนไฟที่มันมันร้อนเจ้าค่ะดูกก็เลยกำหนดเป็นไฟเผาร่างกาย สักคั้นึงเวทนามันคลายลงเจ้าค่ะทําให้ลูกสามารถนั่งสมาธิต่อไปได้อย่างสบายเจ้าค่ะอืมรู้สึกขอบคุณพระพุทธพระธรรมท่านพระอาจารย์มากมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะอืวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์วัีพยายามปฏิบัติต่อไปนะไม่ใช่ได้ผลเดียวแล้วก็เลิกต้องพยายามทําไปๆทำเรื่อยๆให้มันทานาน เจ้าค่ะเป้าหมายก็คือเราจะต้องไม่กลัวความเจ็บต้องต้องกล้าอยู่กับความเจ็บนะถ้าเราก้าอยู่กับความเจ็บแล้วต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เหนือนร้อนรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์รู้สึกอัศจรรย์ใจมากเลยเจ้าค่ะพอลืมตาขึ้นมาก็ทุ่มกว่าแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์อืมอะไรมาเข้าซูมต่อนะ ได้เจ้าค่ะเลยครับอ่าออกไปแล้วก็เดินจงกรมจเจริญสติต่อสักแป๊บหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็เข้าสูนย์ต่อหนึ่งเจ้าค่ะโอเคก็อินดีกับกับผลงานที่ได้กระทำหวั ง, งว่าพยายามจะรักษาให้มันมีออย่างต่อเนื่องนะเจ้าค่ะท่านผู้อาวุโสขอบพระคุณท่านพาาู้อาวาาุย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะอสาธุท่านอ่าคุณดิษยา อยู่บ้านเดียวคนแม่เปลานานนีนน้อยู่คนละห้องค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินยจน้ะมาตรการฉัดถามามาอยู่ที่สํำนักอที่ออฟฟิศใหม่ค่ะพะาอาจารย์ย้ายใหม่ตอนต้นปีค่ะออิชมนี้เองไหมค่ะอาจารย์ก็เลยเข้าสูนที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านค่ะอืม วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระาจาย์มาําสวัสดีปีใหม่แล้วก็เข้ามาฟังธรรมค่ะโอเคขอให้สุขเจริญนะสาธุขอบพระคุณค่ะอ่าคุณอุษาคุณแม่เชิญคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยราชการคะ่ะโยมอยู่บ้านคะ่ะพระอาจารย์เมืม่อสักครู่นี้โยมเข้ามันเป็นวิดีโอปิดนะคะ่ะอาจารย์ที่ซูมมัม โอยมก็ต้องออกแล้วยมเข้ามาใหม่ก็ปิดพอยมได้ยินเสียงว่าให้เปิดยมก็เลยมาเปิดใหม่ค่ะอืม mm hmm. คือการเข้าซูมนะคะอาจารย์กับการฟังธรรมต่างกันเยอะเลยค่ะอาจารย์การเข้าซูมเนี่ยมารู้สึกแบบมันได้พลังได้กําลังใจได้อะไรเยอะๆมากมายเลยคะ่ะอาจารย์ฟังไปแล้วก็ฟูใจวนฟูใจมันใจมันเบิก บ, บานนลยคะ่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกแบบอืมได้คําตอบได้ อ, ไอย่างเงี้ยคะ่ะมีสติมากขึ้ น, นะคะ่ะอาจารย์ Mm hmm. แล้วก็จากการที่ขึ้นเขาบ่อยๆนะคะอาจารย์ยมรู้สึกว่าพอไปอยู่ที่เขามันรู้สึกมันมีความสุขค่ะอาจารย์แล้วก็พอกลับมาอยู่ที่บ้านเราก็จะมาเจอกับสภาพสังคมเจอกับผู้คนเจอกับคำพูดที่บางคำที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอฟังอาจารย์พูดแสดงว่าอันนี้เรามันจะเป็นบททดสอบที่เราจะต้องผ่านมันไป่นใช่ก็ใจเราต้องวางเ่ยให้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง สติแบบเท่าทันมันจริงๆแบบบางทีพอแต่ก็ยังยิ้มนะคะพอวันนี้โดนว่าซึ่งหน้าค่ะไม่ใช่เมื่อวันนี้มวดเมื่อวันมั้งคะเมื่อวานนะะโดนว่าซึ่งหน้าแต่ก็ยังยิ้มแต่ก็ยังแอบเอ๊ะถ้าไม่เขากล้าว่าคนนะเขาเก่งจังแต่ก็เออต้องวางเฉยค่ะต้องต้องรู้สึกแบบว่าอ๋อพอเรามาอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะได้ทดสอบว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้เรารับมันได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มันต้อง อ๋อถ้าเราตอนแรกเรคิดว่าเอ๊ะเรากลับไปอยู่บนเขาดีไหมเราไม่ต้องยุ่งกับใครมันก็เหมือนกับเราหลบเข้าเซฟโซนอืมแต่พอเรามาเจอข้างนอกในสังคมเนี่ยเราคือบททดสอบว่าเราทิ้งมันได้จริงไหมเรารับมันได้จริงไหมยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อช่ทดสอบปัญญาใช่ค่ะมันต้องมีสว่ได้เปล่าใช่ค่ะมันต้องเท่าทันจริงๆแบบโอ้โหมันยากนะคะแล้วก็บอกโอ้ยมโชคดีนะคะที่เจอพระอาจารย์ ถ้าโยมไม่เจอพาาระอาจารย์ปนณณิโยมอาจจะจะไปเพ่งนูน่นเพ่งนี่มั่วไปหมดแล้วค่ะอาจารย์มชมเคยมีคนหนึ่งเข้ามาจับมือโยมแล้วก็ดูลายมือโยมก็บอกว่าลายมือแบบนี้น่าเป็นร้างทรงนะบอกเคยอย่ามายุ่งกับฉันไม่เป็นร่างอยเอา <c oughs> จะบอกลายมืออย่างนี้น่าเป็นร่างทรงเฮ้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่อย่าอย่าอาแล้วก็จากการที่โยมเจอพระอาจารย์นะคะโยมถือว่าเป็นเป็นโชคของโยมมากๆเลยค่ะอาจารย์โยม คือยอมยมพูดว่ายอมยมเปลี่ยนยมอาจารย์ก็อาจจะคิดว่าให้อวยตัวเองแต่ว่าสามีเขาพูดเองนะคะว่ายมเปลี่ยนไปแล้วก็เขาทาทางเดินจงกรมให้ที่หน้าบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางเดินจงกรมนั้นลูกก็ไปเดินสามีก็ไปเดินตอนนีก้กลายเป็นว่าทางเดินจงกรมนั้นเราก็เดินกันทั้งสามคนอาจารย์นี่ค่ะเดินจงกรมนี่เป็นการจลน์สติแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนีค่ะบางครั้งนั่งภาวนานั่งภาวนาดึกๆ มันไม่นิ่งจงกลมค่ะหน้าบ้านมันยาวสิบเมตรกว่าค่ะจันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็าว่าเดินจง ก, กลมเยอะๆนี่จะมีอานิสงส์ทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอายุยืนยาวนานแต่ทุกค่ะโยมก็แต่เมื่อกี้สักครู่โยมฟังการนั่งภาวนาของโยมโยมเคยเจอสภาพนี้นะคะจันโยมนั่งแล้วโยมพุโทโธ ก็ดูลมแต่ความคิดมันขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆโยมก็ปล่อยให้มันคิดไปโยมก็ดูดูจมูกของโยมไปเรื่อยๆอยู่ๆมันเหมือนกับจอทีวีมันชัดดาวไปเฉยๆค่ะจาย์มันรวมไปเฉยๆเลยโดยที่ความคิดมันกําลังคิดๆแต่โยมไม่สนใจมันนะคะแต่ความคิดมันยังเดินอยู่นะคะแต่แค่ไม่สนใจมันรวมกึ๊บเข้าไปหายไปแบบนี้เลยเหมือนทีเหมันทีวีปิดไปอย่างนั้นนะคะอแต่เจ้าว่าง ใช่ค่ะมันดับมันปิดมืดไปเลยไม่ความคิดก็หายไปแล้วมันก็นิ่งไปแบบนั้นนะคะจาง น, นั่นค่ะแล้วก็การขึ้นเขาของโยมตัว น, นี้โยมก็ใครไปก็ไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรแล้วหายโยมรู้สึกว่าที่นั่นคือสเตปโซนที่เป็นที่รู้สึกเป็นเป็นที่พักใจค่ะจางแล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันมันดีกว่าค่ะถ้าหากว่าโยมเคยไปอยู่วัดที่ให้ปฏิบัตินะคะเราจะต้องลุกขึ้นทํากับข้าว แล้วกว่าเราจะได้ภาวนาจริงก็เลยเที่ยงไปแล้วงเงี้ยค่ะโยมรู้สึกว่าเวลาของโยมเหลือ น, น้อยเต็มทีโยมก็คิดว่าไปที่นี่ดีกว่าค่ะอาจารย์อคือแบบนั้นเขาก็เป็นวิธีฝึกอีกรูปแบบหนึ่งฝึกการเสียสละการการอยู่กับคนอื่นอ๋อค่ะมันก็เป็นการฝึกรูปแบบหนึ่งก็คือเราเราแสดงว่าเราต้องได้วัดอุเบก ข, ขาของเราไปด้วยว่าเราจะวางได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะ ใช่เมื่อเราต้องอยู่กับคนเราก็ต้องเจออะไรแปลกๆที่เราอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่แต่ยมเสียดายเวลาไงคะอาจารย์ยมว่าถ้าไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราอยู่กับมันเลยยีิบสี่ชั่วโมงตลอดเลยตื่นเช้ามาก็เอาเลยแบบนี้ก็ไดก็ดีไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามเพียแต่มองว่ามันก็เป็นการรูปแบบกันเนทะ่านั้นเองแต่ก็ดีอยู่คนเดียวดันดีสุดนะ ยการพัฒนาความสงบนั้นต้องอยู่คนเดียวถึงจะได้อยู่กับคนอื่นจะได้ขันติด้ความอดทนใช่ค่ะเพราะได้ภาวนาเราก็หายไปเราก็เสียดายไงคะอาจารย์จะไม่ได้วเมค่ะอ๋อไม่ได้ภาวนาไม่ได้สมาธิไม่ได้วเมค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ ก็มาเจอกับผ so yes, <les> <unterschied> <ets> ู้คนที <học> ่พ so so ูดจาบางครั้งอย่างที่อาจารย์เรียนสอนเทศสอนน้องเข้าไปตอนต้นๆนะครับอ๋อพยมก็ได้คำตอบเออใช่เราต้องเราต้องรู้ว่าต้องเท่าทันมันต้องเท่าเวลาถ้าเรามีเบกามีปัญญาเราก็ไม่ต้องมีขันติก็ได้ใจวางถ้าใจระวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องใช้ความอดทนแต่ยังยิ้มนะคะอาจารย์ยังยิ้มแต่ยังแอบเอ๊ะอยู่ไงอาจารย์ยังเสียงว่า ยังไม่ยังไม่เต็มที่ยังไม่ร้อยยังปล่อยไม่หมดแต่ว่ายมว่าได้แค่นี้ยมก็เก่งมากแล้วนะคะอาจารย์สามีมบอกไ ม, ไม่ตอบโต้เว่าเดิมนะค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่มีทางค่ะอาจารย์ <laughs> สามียมบอกว่ายมเปลี่ยนไปเยอะค่ะนี่เขาคือคําเขาให้นะคะอย่างยอมยมรู้ว่าเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะเข้าข้างตัวเองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยค่ะเขาทําทางเดินจงกลมให้เขาบอกว่าเขาอยากได้บุญแบบเนี้ค่ะยมก็รู้สึก อืมก็ดีค่ะมันมีตัวชี้วัดแบบนี้ก็ไม่ได้อวยตัวเองค่ะแต่เราก็รู้ว่าเราเปลี่ยนไปเยอะค่ะเรารับการที่เขาใส่มาเต็มเราเต็มแม็กเนี่ยเรายังนั่งเฉยอยู่เฉยเฉยคำของอาจารย์บอกเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวมันก็จบมันไม่มันไม่เที่ยงเลยแบบเนี้ยค่ะ<อ>มันจะตลอดค่ะอาจารย์ <Hey. S 1> ค่ะอ <Okay. S 1> าจารย์เดี๋ยวโยมจะเดินจงกลมนะคะอาจารย์ปฏิบัติบุต ไปกวาดถูเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์โอเคดีนะคะพระเดินจองกอเดินจองกองส่งส่งท้ายปีเก่านะค่ะใช่ค่ะโยมจะเดินจองกองข้ามปีนะถ่ายบางดึกดึกลงเขาลงไปเดินคช่โอเคขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะถ้าโยมไม่เจอพระอาจารย์ปัจนโยมโยมไม่รู้เป็นยังไงแล้วค่ะอาจารย์อพูดเลยค่ะสาธุโอเคสาธุไปที่คุณสารกาต่อสารกา เป็นยังไงวันนี้คาปีอะไรเปล่าเหม kind of ือนเดิมเหมือนเดิมครับอาจารย์เด uh ิมเดิมอ้ยมีม pues ีว uh> okay, ิชาอกเด้อทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาค่ะชำระจิตใจไปเรื่อยๆโอเคดีมากอสาธุค่ะคุณหมอหน้าจากคุณหมอต้า ครับกับนักวิชาการอาจารย์ครับก็ตลอดปีที่ผ่านมาก็ประเมินว่าเรื่องทางเรื่องศีลก็ทําอย่างสม่ําเสมอแต่เรื่องภาวนาอย่างโบกพ่องไปเยอะครับอาจารย์ตั้งใจว่าปีใหม่นี้ก็จะพัฒนาด้านนี้ให้ดีขึ้นครับอาจารย์ต้องตั้งศีลธรรนถึงจะทําได้อืครับถ้าไม่ตั้งสัจธรมันก็มีข้อข้ออ้างมีข้อแก้ตัวไม่ว่างว่าอย่างนอย่างนี้มัน ถ้าถตั้งศรัทธานทานนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้นะอ้างอะไรไม่ได้นะต้องทําอย่างเดียวถ้าเราอยากจะมีศรัทธานะอ า, อาจารย์จะประยัดภาวนาววให้มากขึ้นอาทิตย์อย่างเงี้ยต้องถือสีลแต่ถ้าหนึ่งวันอะไรเงี้ยเป็นตน้นครับอินเคยเคยทําได้ในในอดีตเมื่อนานนะครับอาจจะเป็นลักษณะเดือนละสองวันอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงหลังก็ ห่างหาหายไปไหนก็มาทาน้อยๆก่อนก็น่าเดินละครั้งเรื่งดีทำค่อยๆเพิ่มเป็นเดินละสองครั้งสามครั้งขึ้นไเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เริ่มมันมันก็จะมันก็ยังไม่ไปไหนสัาทีมันก็อยู่กอที่เราต้องเริ่มาเลยแปลกๆใหม่ๆถึงแม้จะไม่มากก็ยังดีครับคือําตั้งใจถือสินแต่ทำให้รู้เลยค่ะว่าเราแบบกําลังเรามันแค่ไหนบางครั้งตอนที่ ใช้ชีวิตปกติก็คิดว่าก็โอเคอะไรเงี้ยแต่พอแบบตั้งใจจะถือแล้วแบบเอ้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยกิจกรรมด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้รู้ว่าโอ้มันเป็นการีิสูดกําลังตัวเองเหมือนกันต้องเลยวันที่เราไม่ทํางานยังดีกว่าถ้าถ้าอยากจะซื้อสินแบบค่ะพรอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะอากลับมาสอะพระอาจารย์เราถ้าเเฉยๆแล้วแต่เราจะพิจารณานะไม่ได้บังคับอะไรแต่อาจจะอย่างน้อยแบบเดือนหนึ่ง ให้มีเดี๋ยวจะพักพาจร์ทงานดีเลยครับพาร์ทงานจริงๆก็อยากอยากให้พาร์ทงานช่วยเสนอแนะด้วยครับช่วยชี้แนะรันเพราะบางทีมันไม่ไมักมันไม่ค่อยได้คิดถึงแบบนี้คิดยากเพราะกิเลสมันไม่ค่อยยอมให้เราคิดแบบนี้ใช่ครับพาไปนู่นไปนี่กิเลสพาไปหมดเลยครับ ขอบคุณพระอาจารย์ากังแรงนะครับขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ค่ะคุณเซเรนตอนเชิญอันนี้เธ8สิแอยู่เลยวันนี้ก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ะหนูยังไม่แน่ใจนะค่ะว่าหนูจะทำาิ8แปดได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวหนูต้องพาลูกไปทั้งนอกด้วยะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเย็นว่าจะไปสวดมนเย็นที่วัดค่ม ที่วัดก็จะ<ป>มีข้าปีหรือเปล่าสารข้าวปีอเปล่ามีเจ้าค่ะพอดีว่ามีเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ไปเจอกับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่อะคะ่ะเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็ขอเขาก็ชวนว่าไปวันนี้ตอนเย็นไปการ์ดเ น, นะะี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปสวดมนต์ข้าวปีหนูคิดว่าจะปฏิบัติที่บ้านนะคะแต่เหมือนให้ทำสัญญาเขาไว้แล้วก็เลยว่าจะไปสวดมนต์เย็นแทนนะคะอืม วันนี้หนูก็เข้ามาค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะก็ามากราบขอบพระคุณคําสอนธรรมะที่พระอาจารย์สั่งสอนมาตลอดค่ะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่ได้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็เอามาประยุกใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่ะ<ม>ก็เลยจะเข้ามากราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็จะปฏิบัติต่อเรื่องไปเรื่อยๆจะไม่หยุดนะ ค, ะค่ะดีเพื่อก่อนจะถึงฝั่งนะ ค่ะพระอาจารย์มันทําว่าชีวิตเรามันบางอย่างเหมือนมันมีอะไรมันเหมือนมันมีมาตรฐานอยู่ในใจอ่ะค่ะ<ม>เวลาที่มันมีต่างๆที่มันเข้ามาทดสอบจิตใจเราก็จะมีมาตรฐานเนี้ยมาเป็นมาเป็นข้อบอกว่าตรงนี้ทําได้ตรงนี้ทําไม่ได้ตรงนี้ทําได้มันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนอยู่กับตัวเองมองมองเข้ามาในตัวเองเนี่ย ม, มั้ยคะมากขึ้นดีมากค่ะ ว่างก็ปฏิบัติธรรมว่างก็ปฏิบัติธรรมเวลาที่มีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าตในระหว่างวันมันก็ดึงเข้ามาในใจดึงเข้ามาในใจเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ปล่อยว่างปล่อยว่างค่ะยอมยอมค่ะยอมหยุดเย็นอย่างดีอือออออแล้วมันก็ยอมไปเรื่อยๆยอมไปเรื่อยๆจนหนูคิดว่ามันต้องยอมจนมันหมดทุกอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์อแต่ไม่ใช<า>่วันตายก็ต้องยอมวันหนึงก็ต้องปล่ยมัน ค่ะอาจารย์ก็ทุกวันนี้ก็หนูรู้ว่าสิ่งที่หนูติดขัดอยู่ก็คือเรื่องลูกอ่ะคะ่ะหนูก็พยายา ม, มปล่อยให้ได้มากที่สุดก็พยายามดูว่ามันไม่มีอะไรนอกจากเขาก็เป็นอาการสามสิบสองเราก็เป็นอาการสามสิบสองแล้วก็มีแค่จิตปรุงแต่งที่ไปยึดมั่นถึงมันเท่านั้นเองก็พยายา ม, มพยายามกับทุกเรื่องอะคะอ่ะอาจารย์อแา่ดินน้ำลมไฟนะั้นที่เราไปเลืนไปติดใช่ค่ะพรอาจารย์ก็พราะคิดอย่างนี้ยมันก็เลยปล่อยลงไปเรื่อยเรื่อยรืรื่อ ก็ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีความอยากที่จะออกไปออกไปข้างนอกเนี่ยคไม่มันไม่ได้มีความอยา ก, อ, กอันนี้ก็กลับเข้ามากลับขอบพระคุณพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์ทัด ข, ขันแข็งแรงแล้วก็เข้ามาสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ด้วยนะคะอสาธุคุณแดนคุณนอนทานดีนำการนมิตการนะพะอาจารย์ลูกไม่มีคําถามต่อข้างโอเค ภูมิภาสนาตมหลือตอนนี้ตมอค่ะอยู่ที่บ้านค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่ติดบ้านแล้วเลยเดี๋ยวนี้อยู่ติดบ้านแล้วค่ะไม่ได้สวนเหมือนข้ามปีพระอาจารย์อแต่ว่าจะภาวนาภาวนาข้ามปีของภาวนาดีกว่าชอบภาวนามากก่ะ พอเวลาค่ำปีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปิัติตัวใหม่นะพะอาจารย์นะสิดบ้านนะมันอยู่กับที่มากนะถ่าอาจารย์ชอบเป็นงเล ย, ยก็กิเลสแล้วบอกว่าพาพาคุณพ่อไปทํำจิตใจให้ปโปร่งๆนะพาไปหาพระพอพระอาจารย์พัก ก, ก็มาคิดออจริงๆนะมันเป็นกินเลสแล้วบอกว่าอตอนนี้ติดบ้านแล้วพ่ะอาจารย์พาคุณพ่อไปหมดเลยค่ะไปพาพระอาจารย์ที่พระอาจารย์มั่นหมดทุกที่แล้วอะ โอเคสาธุขจาค่ะขอบคุณค่ะสมาชิกเก่ า, าหายหน้าไปนานอาจารย์สายทิพย์อันนี้อยู่ที่ไหนขอนแก่นเนีมาหาสคาขอกนมหาสาราพระอาจารย์ต้ะค่ะอยู่ขอนแก่นเจค่ะขอนแนยังไงมีอะไรหมมีอะไรมาเล่าให้งหไ้หลายเดือน<า>อเป็นปีเลยหรือเป่เป็นนานมากค่ะพระอาจารย์ว น่าจะนานมากอยู่ค่ะเพราะว่าวันพุธจะมีเพื่อนที่ทำวิจัยด้วยกันเขาอยู่อยู่อเมริกาค่ะแล้วก็นัดนัดประชุมวิจัยสองทุ่มทุกวันพุธถึงอาจารย์หนูก็เลยกดเข้ามาไม่ทันแล้วก็ก็เลยเออไม่เป็นไรค่ะก็รายงานความก้าวหน้านิดนึงค่ะพระอาจารย์ว่าตอนนี้สร้างบ้านส่วนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวได้ไปอยู่คนเดียวค่ะ คุณพ่อคิดว่าน่าจะได้ได้คุณพ่อจะตามไปอยู่ด้วยป่ะคุณพ่อบอกว่คุณพ่อไม่มีมีมีหลังเล็กแต่คุณพ่อบอกว่าก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับเข้ามาอยู่บ้านแต่ช่วงแรกแรกอาจจะอยู่เป็นเพื่อนค่ะแต่ว่าอยู่คุณพ่อก็อยู่หลังหลังเล็กหน่อยอยู่อีกหลังหนึ่งที่คุณพ่อตั้งให้อยู่ห่างจากที่อยู่ตอนนี้ไหมอยู่ห่างจากบ้านใช่ไหมค่ะพระจานทร์น่าจะอ่า ที่เป็นบ้านสวนจะอยู่ปากทางเขา้าเข้าหมู่บ้านค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นเป็นติด บ, บ้านคนตะบะติดทุ่งนาติดติดติด บ, บ, บึงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นที่เงียบเง<อ>ียบเหมือนเป็นแค่สงบสงบมากค่ะไม่ไม่มีบ้านคนไ่มีบ้านกลไม่มีบ้านคนเลยอยค่าเคียงนะมีบ้านติดแต่ ม, ม, ม, มีมีมีอยู่ใกล้แต่ว่าเหมือนแบบกำแพงที่เขาชิบเขาเขาไม่ได้อยู่มาชี้กับบ้านเราค่ะพระอาจารย์แล้วเติมบ้านหนูก็ขยับ่างออกมาอีกค่ะไม่ไม่รบกวนค่ะก็ค่อ น, นข้างเงียบค่ะพระอาจารย์คก็คงจะได้เริ่มปฏิบัติแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์งานทํางานเยอะเหนื่อยแล้วก็หับ แต่ว่าติตก็ก็ก็อุเบกขาอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยถูกกับอะไรแล้วก็สันโดษแต่ไม่มีสมาธิมาถึงไม่ได้นั่งเลยค่ะย์ปีใหม่กานะลงังคิดเหมือนเหมื น, ม, นมันมีงานเข้ามาเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งใจว่าจะลบ ง, งานแต่ว่ามีงานวิจัยเข้ามาหลายเรื่องแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นเป็นคนทีมนำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยุ่ง แล้วก็ลา้าล้าค่ะร่างกายล้าค่ะพระอาจารย์ปีหน้าตั้งใจกําลังคิดว่าจะเถิดสิ 8, นแอธิละกี่วันดีเนาะถึงจะไม่ผิดสัจจะค่ะพระอาจารย์ยังเาอาจากน้อยอไปหามากก็กได้อาจากน้อยไปหามากก็ได้ค่ะงั้นงั้นลองดูว่าเดือนนี้เอาสักกี่วันดีต่ออาทิตย์ ถ้าทําได้ค่อยเพิ่มนะคะพระอาจารย์ดูกําลังก่อนดูผลจากการปฏิบัติได้ด้วยวันดีไหมค่ะก็ดีใจที่เรียงได้หน้าตาที่ว่าที่ว่าหายไปเลยหายต่ำไปเลยไม่ไม่ค่ะเราลึกถึงพระอาจารย์อยู่ค่ะแต่เข้าไม่ทันพอเข้าไม่ทันบ่อยๆก็เลยเอ้อนั่นๆกดไม่ทันแล้วเงินไม่เป็นไรค่ะ แต่ว่ายังยังยังดังตั้งใจปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์อยังยังคิดถึงว่าเอาไม่ค่อยเข้าหน้างั้นเป็นไปได้ไหอันนี้ยังเปิดนานเยอะเปล่เปิดมีแค่วันนี้ที่ไม่เปิดใช่ไหมอาจารย์อ่ามีมีวันนี้ไม่เปิดค่ะพระอาจารย์แต่จริงๆเปิดทุกวันทุกวันค่ะแต่ก็เลยก็เลยเหนื่อยหน่อยค่ะจะปิดสองทุ่มค่ะโอเคมีอะไรอีกไหม ค่ะม่ีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวปีหน้าได้ปฏิบัติแล้วค่อยมาถามพระอาจารย์ว่าติดขัดอะไรบ้างค่ะค่ะยังไม่ให er ้ท <conna issance> <todos S 2> ิ้งค่พระอาจารย์ค่ะพยายามไปเรื่อยๆให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆสมาษาทูค่ะขอให้พระอาจารย์พัดแผ่นแดงค่ะสาธุอะไรที่คุณยินดีพัทยาใกลๆพัทยาเนี่ฮัลโหล สวัสดีคาร์ตาจารย์มันได้วิทย์พูดไทยได้ใช่ไหมได้นิดหน่อยครับสวัสดีปีใหม่ เขบอกอยู่กับอาจารย์ดีกว่าจานอาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสี่ทุ่ก็เลิกแล้วไม่ไปค่ะไม่ไม่ได้ไปไหนกันค่ะถ้าอาจารย์ก็ดีใจค่ะที่เขาเขาไม่ได้คิดจะไปมาเพื่ อ, อที่จะมาบอกาจารย์แล้วก็มานั่นนะคะอาจารย์อาจารย์นั่งรอต้องมานนะ แล้วก็นั่งสมาธิกันก่อนที่จะมาเข้าสู่มค่ะท่านอาจารย์อเคเียแล้วมีอะไรมีอะไรเดว้นอยากจะถามอะไรไหมครับไม่ถามนะโอเคแต่ขอให้มีความสุขมากๆนะปีใหม่นี้มีแต่ความสุขความเจริญสาธุกาท่านอาจารย์สาธุจาตสงท่านอาจารย์อรียบรอย o o d โอเค อ่าใบที่เลี้วต่อเลี้วเลี้วอยู่ใครเ่ยคุณแม่ครับเนี่ยอ๋อสกันครับนมาสกันจะ้อคุณแม่ครับไม่ว่าด า, า <laughs> ผมใหม่จําไม่ได้เนี่ยนิวเอ์จชาลองพ่กลับไปถึงเมื่อไหร่กลับไปถึงกลับไปถึงมาถึงมาถึงพอดีเจ้าคะ่ะเพิ่งเดินทางไปถึง จ, จบบากจากเมืองไทยกลับมาถึงวันที่ยีส ยี่สิบสองเจ้าค่ะยี่บสองอาทิตย์หนะึ่งอาทิตย์ก่กว่าอา่าใช่ค่ะกลับมาทันคริสต์าสค่ะหนาวจ้าค่ะกับมาอืมอนี่ย่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเจ้าค่ะของพ่อเพราะว่าที่บ้านที่สเปนมีลูกค้าเจ้าค่ะอืมเขาเช่าไปแล้วเลยให้เขาเช่าไปเลยค่ะมีลูกค้าวีวไอพมี อ่าฮะแตอนนี้เรียนเรียนจบอะไยยังจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับแต่ตอนนี้เรียนต่อมาสเตอร์ต่อปริญญาโทอยู่ที่สเปกทังไหงฮะทางธุรกิจเหมือนเดิมครับธุรกิจนะครับโอเคดีตอนนี้เรียนได้ก็เรียนไปก่อนครับก็ก็พยายามครับคิดว่าจะปีสุดท้ายแล้วที่เรียนก็มองก็เดี๋ยววันนี้จะสวดมนต์ก่อนปีใหม่ผมก่อนเข้าเดา สวยที่บ้านนี่แหละที่บ้านใก็เป็นวัดใช่ไหมอืมท่องพระอีกหนึงก็เปิดตาม u ูทูได้น้องเามีถ่ายทอดสดกันทุกวันที่เขาสวดท่าปีกันเนี่ยแต่เวลาไม่ตรงกันนะค่ะ อ, อืมแล้วเดีสยวสวดมังคลาไทยก็ได้ครันีหกโมงเย็นอื ม, อมอสวดประจำ ว, ว, วนั น, นเราใช่าหมนี่ก็สว้ก็ได้สวดมังคลนก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะ จากท่านหลวงพอ่อมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เข้ามาขอพรปีใหม่ครับผมแล้วก็ <Okay. S 2> จะแล้วก็มากับมรสการหลวงตาครับขอให้หลวงตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเชิญเชิญนะขอให้สุขใจเจริญให้วันนเราสุขแข็งพลังนะสาธุเจา้าค่ะหลวงพอ่อกับขอบพระคุณหลวงพอ่อเ <Okay. S 2> จา้าค่ะโอเคอจังท่านาที่เป็นหเร่วมเลยงตุตาไเปบนห เป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ที่ที่โรงแรมนี้ยังอยู่ที่โรงแรมครับพระอาจารย์ครับมากับคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกสองคนครับอืมมาทั้งหมดเลยูกลูกมาหมดเลยครับพระอาจารย์เพราะว่าพอปีใหม่ก็เลยบอกบอกเขาว่ามาวัดดีกว่าครับตอนแรกเขาก็อยากจะไปเที่ยวกันในการบุกบอกว่ามาปฏิบัติธรรมดีกว่ า, ขาเขาก็เชื่อแล้วก็มาครับพระอาจารย์อืมนั้สนสมาธิได้แล้วนะผม ผมนั่งเด็กเด็กก็ได้นั่งสมาธิครับพระอาจารย์แล้วก็ภรรยาก็นั่งสมาธิครับพระอาจารย์อืมนั่งสมาธิก็ทั้งบ้านก็ได้นั่งสมาธิครับเพราะว่าเอาปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็นั่งสมาธิครับอืโตเมงก็ทําเป็นแบบอย่างครับพระอาจารย์เพราะว่าพอตื่นเช้ามาผมก็จะส่วนใหญจะเปิดยูทูปพระอาจารย์ครับแล้วก็คือตั้งแต่รู้สึกตัวก็ภาวนาพุโทโธตลอดแล้วก็เปิดเปิดฟังย้อนกลับไปของ เก่าๆนะครับพระอาจารย์มผมก็จะไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับบางทีเขาฟังหลายรอบแล้วก็ทําให้ที่บ้านเขาได้ฟังไปด้วยครับแต่บนพื้นฐานที่บ้านเนีภริยาเป็นคนที่เป็นคนที่เข้าเข้ามาปฏิบัติทางนี้อยู่แล้ ว, ว่ครับทางธรรมะครับพรบอะอาจารย์ก็ดีทุกคนยอยู่อยู่ในในในรานาบเดียวกันคือปจุบันด้วยกันกับพระอาจารย์ก็ครอบครัวก็มีความสุขกับพรอาจารย์ แล้วพอเวลาผมสังเกตว่าเอ่อพอมาในทิศนามาปฏิบัติธรรมกับทุกคนเนี่ยครับพอเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนอะไรครับพระอาจารย์เราก็จะผ่านเรื่องต่างๆไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ล่มเย็นเป็นสุขครับตัวผมเองก็พบความสุขมากๆครับพระอาจารย์แล้วก็ที่นั่งสมาธิครับก็จะเข้าใจแล้วครับระอาจารย์ว่ามันมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกครับ แต่ว่าก็เราก็เข้าถึงความสงบได้ได้คล่องขึ้นนะครับพระอาจารย์ใ<ช>ด้คล่องขึ้นอนืพอ ย, ยิ่งทําเนี่ยยิ่งทํายิ่งคล่องขึ้นครับพระอาจารย์คือพอดีผมก็ใช้หลักที่พระอาจารย์สอนว่าให้พุโทโธตลอดเวลาครับผมก็จะพุโทโธรแต่ถ้าเกิดช่วงไหนช่วงไหนแบบมีเวลาว่างผมก็จะหลับตานั่งสมาธิเลยครับพระอาจารย์แล้วก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาทํางานเวลาทํางานถ้าสมมุติเรา เราก็เอาใจไปไว้ที่งานทากับงานนะครับแต่ถ้าจะสมมติว่าเป็นงานที่แบบไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้อะไรมากเราต้องรับฟังหรือต้องนั่งอยู่เราก็จะพองท่องพุทโทรไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์หรือฟังฟังลูกฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงลูกน้องเขาพูดนำเสนออะไรผมก็พูดโธรครับพระอาจารย์พุดโธไปเรื่อยๆก็ทาให้ทำให้เราไม่ค่อยมีมีความโกรธหรือว่าหรือว่าเรามีความอยากได้อะไรครับพระอาจารย์ ผมก็แปลกใจเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปเพื่อนเพื่อนเาเล่นกันปีใหม่อะไรไปกลายเป็นผมไม่อยากไปครับพอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่มันมันไม่อยากไปครับผมว่าแปลกแปลมันไร้สาระไปไม่ได้ครับพระอาจารย์ครับผมก็รู้สึกว่าก็แก่นั้นแหละครับพ่อเขากินเ่าครับอ๋อสู้สู้มาลติแบบปฏิบัติธรำนั่งสวัสดีไม่ได้เลยครับพรอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเป็น เป็นเรื่องหลอกหลอกกันนะครับอาจารย์ก็กินไปก็บอกลักกันเฮฮากันเป็นเพื่อนที่เ่อกันแต่ว่าจริงๆมันคงไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อะครับอาจารย์มันก็จะเห็นเห็นขึ้นมาแช่งเหงากันมากกว่าแช้งเหากันมากกว่ให้มันสนุกไปงั้นมากกว่าครับเพื่อนๆไปพ่านข้าเวลามันครับครับซึ่งผมตอนหลังผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับอาจารย์นะครับก็เป็ธรรมะาสู้สู้มานั่งนั่งภาวนานั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์อย่างดีกว่าครับ แล้วก็สมาธดูนี่รสแท้ทำชนะรถทำปวดใช่คับพระอาจารย์ดีจริงๆเลยครับแบบมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องผมก็ตั้งใจว่าตั้งจิตอธิษฐานก็ให้สัญจานะครับพระอาจารย์ว่าผมจะภาวนาพุทโธตลอดเวลานับจากนี้ไปเลยครับแล้วว่างเมื่อไหร่ผมก็จะหลับตานัื่องสมาธิจะเป็นวัดให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถ้าวันไหนว่างเนี่ยจะพยายามรักษาสินแปดให้ได้แล้วครับ ว่าทุกวันนี้ผมก็รักษาได้ประมาณเจข้อครับพระอาจารย์มีข้อเดียวที่ยังทําไม่ได้คือทานอาหารครับพระอาจารย์อืมเพราะว่าเราตรวจคนไข้กลับมาเราทำงานต่อมันหิวมากแต่ผมก็จะพยายามแล้วครัอาจารย์จะทําไม่ได้ครับจะต้องออกเวทีอาทิตย์หนึ่งเราทั้งวันเดวครับครับก็เหลืออยู่ข้อเดียวเองครับพระอาจารย์เพราะว่าดูการละเล่นละครดูหนังแส่งตัวอะไไม่ทําละอืมแล้วก็นอนที่นอนก็นอนแข็งๆละเรื่องข้อสามก็รักษาเป็นความวัจริยไปแล้ว ครับก็ก็น่าจะทําได้ไม่ยากครับอาจารย์แต่ผมจะทําให้ได้ตั้งใจว่าขอทักสัปดาห์ละวันหนึ่งครับอาจารย์รยก่อนนะครับให้ครบแปดขอ้อจริงๆเอาดูกันครับให้เหมือนตอนที่มาบวชอยู่ที่วัดบวางกับ ว, ว, ว, วัดยาแหะครับอาจารย์จะกลับไปทําให้ได้ครับปีใหม่เนี้ยตั้งใจยิ่งต้องสองรวมไม่มากขึ้นครับครับจะได้ดูเห็นความแตกต่างเข้าไปอีกครับเพราะว่าปฏิบัติมาก็มีความแตกต่างที่ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็ยังแบบผมว่ามันยังไหได้อีกเยอะเลยครับอาจารย์ใช่มันต้องไม่ปวดนะถึงจะได้เต็มที่ครับครับมาทําไม่ไปวดครับอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องพยายามไอ้แกลเคียงสินแปดก่อนหน้านักบดกรงรักษาสินแปดเลยครับาาอบบบาออนะจารย์ครับครับมาขอพรอาจารย์แล้วก็ มากราบอาจารย์นะครับกราบพระคุณอาจารย์ด้วยครับกราบสาธุขอพระอาจารย์บ้าสถังแข็งแรงนะครับผมตั้งจิตดิษฐานให้สจจะปฏิบัติยิงๆ่งขึ้นไปครับสาธุคุณปางว่าอะไรต่อพีรชากรบนวัตการค่ะก็มาฟังธรรมค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะวันที่สามสิบต้องทํางาน แต่ว่าก็ทํางานด้วยไกลแล้วก็ใ จ, จก็ยังอยู่ทํามาค่ะวันนี้สามสิบเอ็ดสามสิบอ่าสมสิบสามสิบเ็ดขอโทษค่ะ 30, อันนี้หนูอยู่ที่โรงแรมแล้วก็แต่ว่าม <ทำ S 2> ีบา <ขะ S 1> งทีก็เราอยู่ถึงเท้านดาวเลยเขามีโรงแรมก็มีเท้านดาวกันใช่ไหมมีค่ะก็พอดีปีนี้สบายหน่อยไม่ต้องไปช่วยงานเสิร์ฟก็ไปไปทํางานถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเสร็จจัดทําม้าค่ะหนเครื่องวิ่งไปถ่ายรูปให้ให้โรงแรมค่ะโอเคค่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะ กายก็เป็นการการะทำแต่ว่าใจเราเราก็นิ่งอยู่กับทำงานทำหน้าที่ไปใจไม่ได้ไปยินดีกับมะไก็แล้วกันค่ะรับคุณพระอาจา่ได้ไปที่คุณทุนละต่อในคำถามกราบนมัส ก, การคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทางเฟ e b o ๊ k พระอาจารย์แล้วก็ YouTube พระอาจารย์และ YouTube ของดรวีเจ้าคะ่ะคำถามแรก จากคุณศรีวิไลมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะกราบเรียนถามค่ะการปฏิบัติสมาธิแล้วเรายังต้องศึกษาพระไตรปิฎกมากน้อยแค่ไหนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเราได้สมาธิแล้วสิ่งที่เราต้องการศึกษาก็คือสัมยชน์สิบประการที่เราจะต้องละให้ได้ถ้าเราอยากจะได้มากผลนิพพานศึกษาแค่นี้ก็พอสัโยชน์สิบประการ เราไปค้นหาในกูเกิลดูก็ไดนะ้เพราะว่าจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องละสัญญาณสามข้อแรกแล้วถ้าเป็นพระสกิณาคามีก็ต้องทําสัญโยชเหลกสองข้อให้เบาบางลงแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีก็ต้องละสัญญาณสองข้อสองข้อที่ทํำที่พระสกิณาคามีทําให้เบาบางให้กลายเป็นละได้อย่างเต็มที่ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามี คือรวมกันก็นคือละสังโยชนัยห้าข้อแล้วยังเหลืออีกห้าข้อนี้ก็ต้องเป็นต้องละถึงจะได้เป็นพระหลานตามลําดับต่อไปอถ้าเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปทางปัญญาทางปัญญาเพื่อที่เราจะได้ใช้อปัญญานี้มาละสังโยชน์เช่นสกายยะทิฏฐิเนี่ยข้อแรกคือเรายัางหลงคิดวาลาร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่เนี่ย เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่สอนเดมันกาเจตีให้ดูว่าร่างกายมันไม่แค่การสานทิศสองไม่มีตัวตนเลยอากาศในร่างกายนี้เลยให้ปล่อยวางไม่ต้องมายึดไปติดกับร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะ ต, ต้องแก่เจ็บตายปล่อยมันแก่เจ็บตายไปถ้ารอดได้มันก็ลอสัมยุท์ได้ จเป็นพระสุนตาบั้ได้เป็ตนต้นถ้าอยากจะศึกษาต่อนะหลังจากได้สมาธิแล้วก็เอาแค่นี้เอาแค่สามโยติสิบข้อนี้แล้วก็ว่าปัญญาปฏิบัติละมันให้ได้กันแล้วกันคำถามต่อไปทําอย่างไรความเมตตาจะอยู่ในใจเราตลอดเวลาคะก็ <S 1> <S 1> <S <S เราต้องมีสติคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว่าเมตตาความเมตตามีอะไรบ้างเช่นหนึ่ง เ, เวลาหุนตุคือไม่ไม่จองเวรกันให้อภัยกันอบายาปชาหุนตุไม่เบียดเบียนกันจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอานิคาหุนตุอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นแลวสุขีอต า, างบริหารัานตุคือให้ความสุขกับผู้อื่นเช่นทาตัวเป็นสันตคลาย มีของอะไรมาแจากให้คนนั้นคนนี้ไปให้เขามีความสุขกันเรียกว่าสุขีอานันต์บริหารัานตุนี่คือคุณสมบัติของความเมตตามีอยู่สี่ข้อด้วยกันไม่จองเวรไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้นั่งเล่นอยู่เรื่อยๆพอเวลา เ, าเจอใครเราก็ต้องพยายามทําตามที่เราได้ได้เรียนรู้มา ถ้าเขาทำให้เรากรธเราก็ต้องให้อภัยเขาถ้าเราจะจัดปาร์ตี้ก็จัดให้มันเสียงเบาเบาอย่าไปให้คนข้างบ้านเขาเดือดร้อนินอนไม่หลับทําอะไรก็ อ, อย่าให้กระทบกับคำ ก, บกับผู้อื่นแล้วถ้าเกิดก็ไม่พอใจใครก็อย่าไปทไําร้ายจิตใจหรือร่างกายของเขาแล้วถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็มีอะไรก็เอามาแจกกันมาแบ่งปันกัน คำาต่อไปจากคุณปณิตีทิพย์บรรณากรพระอาจารย์ค่ะเวลาเราเจอพระธุดงค์เดินตามข้างทางในเมืองในชุมชนเราควรทําบุญให้หรือไม่คะนั่ไม่ใช่เวลาทําบุญท่านก็ไปไปของท่านไปก็ปล่อยท่านไปท่านทำธุดงค์ของท่านเราเรไม่ต้องไปยุ่งกับท่านนอกจากว่าท่านท่านในอะไรท่านรักเราขึ้นมาเแล้วคายว่าไปดีกว่าไม่ต้องไปรบกวนท่าน คำถามต่อไปถ้าผมพิจารณาความตายบ่อยๆเหมือนผมทําตัวเองให้มีความทุกข์อยู่บ่อยๆไหมครับไม่เราเป็นการดับความทุกข์ถ้าเราพิจารณาความตายบ่อยๆเราความกลัวตายมันจะน้อยลงความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายมันจะเบาลงเพราะใจเราจะค่อยเริ่มค่อยยอมรับความจรงิงขึ้นมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆคำถามต่อไป ตอนที่ผมมีเวลาว่างสั้นๆผมควรทําสมาธิหรือควรพิจารณากายครับเเองต้ น, ตนควรจะเจริญสติก่อนให้มีสติคอยควบคุมความคิดอยู่กับพุโทโธก็ได้ให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจแจะนั่งสมาธิก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ขอให้มีสติฝึกสติก่อนคําถามต่อไป ขอพระอาจารย์ช่วยสอนผู้ที่ยังมีความทุกข์กายทุกใจให้ผ่อนหนักเป็นเบาครับไม่ต้องยอมรับความจริงของร่างกายและใจร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิอแก่เจ็บตายก็ยอมรับความจริงแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายใจเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใจเราก็มีอารมณ์แปรปรวนเราก็ต้องยอมรับความแปรปรวนของใจของเราใจเราก็จะไม่ทุกข์กัน ข้อสุดท้ายกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนสิทธิ์มาโดยตลอดขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไสของสิทธิ์อีกนานเท่านานพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่กราบขอพรจากพระอาจารย์ให้สิทธิ์ครับกราบขอบพระคุณครับสุขใจเจริญด้วยอายุวันโนสุขังบาลังโอเคทุกคนได้ถามหมดแล้วนะได้พูดหมดนล้วนะ